อุดขาวิสัชนาธรรมกับบให้ลดนานะดศับที์ขีนานายุต่อพุทธกายรุตตะจิอ่าจ้ะคะแล้วอย่างที่ว่าเราพยายามทำความเข้าใจในธรรมะนะ่ยค่ะแล้วเราจงจำเป็นต้องไปนั่งสมาธิอีกไหมอ๋อมันอยู่ที่ เราเข้าใจด้วยใจอย่างไรวัตถุประสงค์สุดท้ายเนี่ยคือถ้าใจเราไม่ไปทุกข์กับอะไรไม่ไปเกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดมันก็ไม่ทุกข์เมื่อมันไม่ทุกข์แล้วเนี่ยใจเรามันก็จะมาอยู่กับปัจจุบันเองเนี่ยมันมันไม่หนีใจมันไม่หนีจากตัวเราไปไหนหรอกไปหาใครหรอกเพราะว่าถ้าเราไปเกาะเกี่ยวใครเนี่ยในอดีตในไปกังวลกับอนาคตปัจจุบันไปเกาะเกี่ยว กลัวผ่านใครสิ่งใดใจมันก็อยู่กับตัวหรอกมันจะหนีเราไปเรื่อยแนะมันจะและหนีเราออกไปไปหาคนนั้นหาคนนี้ไปหาอาดีตไปหาอนาคตมันจะหนีเราไปตลอดอันเนี้เราเลยต้องมีภาระมาคอยรู้เท่าทานันรู้เท่าทานันอ่าตอนนี้บางคนบอกว่าไม่เห็นเนี่ยตอนมันหนีออกไปก็ไม่เห็นอเราก็ถอยลงมาให้อีกเอาแต่ยี่ีนไม่เห็นก็เอาหลักไว้ บริกรรมไว้พุโทโธพุโทโธมันจะได้เห็นว่าเมื่อไหร่พุโทโธขาดเนี่ยแสดงว่าใจไม่อยู่กับตัวแล้วจิตใจไม่อยู่กับตัวมันหนีไปแล้วเออมันเป็นเครื่องวัดเราก็ถอยมาให้เรื่อยหาเครื่องวัดให้ตอนนี้พุโทโธพุโทโธมันค่อยหายไปเรื่อยาอาจารย์ขนาดให้หลักไว้ค่อยค่อยถอยมาให้แล้วเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธหลักมันหายอีกแล้วอาจารย์มันควรจะหายเรื่อยอ้าวทำไงที่ไม่ให้หลัอกหาย เอาก็เอาก็ห า, า, าเวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆขึ้นอย่าไปทําในในชีวิตประจําวันยังไม่เป็นก็หาเวลามาอยู่กับตัวเองมากมขึ้นอย่างเงี้ยมาอยู่วัดอย่างเงี้ยมาอยู่เดินจงกรมแล้วก็มนั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธกับพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไอจิตใจไม่อยู่กับตัวพอตัวมาอยู่วัดเอา้าจิตใจข้ามรัววัดไปแล้วเอกลับเอาไว้นอกวัดแล้วไปไหนเนี่ยไปหาใครเอีมันก็มีเงี้ยเราก็คอยรู้ตัวทัน เออก็เริ่มเห็นแล้วเพราะว่ามันมีหลักไว้เดี๋ยวยิ่งละมันไม่ได้ถึงกับข้ามรั้ววัดไปหรอกพุทโธพุทโธพุทโธมองเห็นคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ไปวิพาควิจารณ์เขาหมดเลยทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมนั่งไม่เรียบร้อยทำไมพูดไม่เรียบร้อยทําไมจะมาทำอะไรตรงนี้เอ้ยทำไมมาวัดต้องแต่งตัวอย่างนี้อุ้ยสารพัดจะวิชาวิจารณ์กันหมดใจไม่อยู่กับตัวแต่บอกว่าใจอยู่กับตัวแต่มันไม่อยู่กับตัวเลยไปอยู่กับเขาหมดอยู่กับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมมานี่อย่างี้ ไม่ว่าใครจะทำอะไรมันไม่ถูกใจแล้วบกรไปหมดอะไรงูงี้งงูงี้ไปอยู่เขาบกนไปอยู่กับตัวหล่อันนี้เราก็บางคนก็ไม่เห็นผมไม่เห็นออกปากเลยออกปากพูดอยู่บ่อยพูดเรื่อยๆเลยผมไม่พอไม่ถูกใจอะไรไม่พอใจอยากจะพูดอะไรพูดเลยไปพูดกับเขาเลยไปพูดกับเขาเนี่ยแล้วคนเนี้ยปัญหาก็ จ, จะตามมาคือก่อให้เกิดปัญหาในในหมู่คณะก่อให้เกิดปัญหากับเจ้าทิ่น เจ้าถิ่นนี่ยเจ้าถิ่นคือเจ้าครัวเขาเจ้าวัดบ้างคนของเขาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดก่อให้เกิดปัญหาแล้วปัญหาที่สุดก็ลามมาถึงเราเราก็เลยย้ายวัดอีกแล้วโดนย้ายวัดอีกแล้วเดี๋ยวเราก็โดนย้ายวัดอีกแล้วเอาเดี๋ยวก็ไปอีกโดนย้ายวัดอีกแล้วแทนที่จะอยู่ได้นานๆต้องย้ายวัดอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่า มันเกิดจากคนไม่เห็นความคิดคนไม่เห็นความคิดปีแรกเนี่ยเอา้าบอกว่ารู้สึกตัวในปัจจุบันนะรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวปัจจุบันศาสนาพูดสังเกตไหมยกมือยกมือไหว้เนี่ยวิศาสนาเดียวไดโลกนีย่ยกมือไหว้เอ่มทำไมยกมือไหว้ใช่ไหมแทนแทนด้วยอะไรเนี่ยมือข้างหนึ่งก็ร่างกายมือข้างหนึ่งก็จิตใจให้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเออมันก็ จะไม่ทุกอะไรถ้า ก, กายกับใจมันอยู่ด้วยกันก็ไม่ทุกอะไรเนี่ย body and mind together นี่เราสอนฝรั่งนะสอนฝรั่งมเมริการ์ลิโก้กาลังสอนอยู่้เจ้าอเมริการ์ลิโก้นี่มันอยู่ไม่สุขเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเหมือนไฮเปอร์จับนู่นดูจับนี่ดูเดินไปนู่นเดินมานี่วัยหมดเลยนั่งก็นั่งไมในด่านหุดลุกหุดดั้งเอ๊เร า, าจะเอายังไงกับเจ้านี่ดีวะ คนอื่นก็จะนั่งพมาพีคนอื่นก็จะสนธนาทำไอ้เจ้านี่เดินไม่快หมดเหมันเหมือนเด็กไฮเปอร์ออเมริกันนี่โกแล้วก็แล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไอ้โจนี่มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเราพอถึงเขาลากลับหมดไอ้โจนี่นก็เดินเข้ามาแล้วก็ยกมือชา้าๆมันเขาบอกว่ามันได้รับการสอนมาจาก Air Thai แอร์โฮสเตยไทยเราแอร์โฮสเตยไทยเราเนี่ยสอนบอกว่าคุณถ้าคุณมาเมืองไทยคุณทําอย่างเนี้ยคนไทยจะชอบคุณมากก็คือ ยกมือจะจะสวัสดีครับบอกคนไทยจะชอบมากเลยบอกว่ามองวังไทยเอาแค่นี้พอโอเสวัสดีครับโอเอพอพนักพนักขับมันก็มาหาเราอะสวัสดีครับฮมันมันปิ้งกันในเลยราอะาจะสอนให้จเจ้ามริกาที่โคได้ยังไง อาเกตนอาเกตอาเกตอาเกตอาเกตอาเกตเราปิ้งเลยเราเปลี่ยนใหม่เลย body and mind together <laughs> body and mind together นี่นะเรากวอดนี่เนี่ยคือพุทธศาสนาทำไมยกมือไหว้สองมือเนี่ย หมายถึงลองโมเมไปเลยเนี่ยคือบอดี้อดนไม่สเกเซอร์เมื่อไรตัวกัดใจคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันกูก็จะไม่ทุกข์เอยเขาบอกว่าเขาทุกข์มากเลยได้อันเนี้ยไปเขาดีใจมากเลยต้องให้ตัวกัดใจอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่ทุกข์เพราะว่าเขากําลังทุกข์มากทําไงห้อยตัวกัดใจอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่ทุกข์ได้ไปแค่นี้เองอะฝรั่งอเมริกันนี่โกะหายไปสักเดือนหนึ่งมั้งกลับมาหาเราโอ้ยเจอหน้าเรากอดเราใหญ่เลยโอ้ย เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะมันหน้าตาจิตใจสว่างสวัยผ่องใสบ้างเลยเจอหน้าเราปุ๊บ body and mind together อาจารย์ body and mind together อาจารย์ปฏิบัติอยู่แค่นี้วี้ body and mind together ฝันบอกปฏิบัติทั้งวันเลย body and mind together จนกระทั่งมันเป็น body and mind together ในใจคือกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันอย่างเป็นปกติธรรมชาติตลอดเวลาไม่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องมาใช้มือเป็นเป็นลูกสมมุติ มันเข้าสิงใจว่าไม่ว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นมันก็เลยเออมันเลยเป็นอัตโนมัติไปเลยว่าตัวกับใจมันอยู่ด้วยกันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเอตัวทําอะไรใจก็ทําสิ่งนั้นตัวมานี่ใจก็มานี่ไม่ใช่ตัวมานี่ใจไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์อ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยชีวิตก็ได้แค่เนี้ยเขามีความสุขมากเลย บอ and m อนด together ตบ d ดี้แอนด์ t ายตุเกตแล้วก็มีอาจารย์ก็เลยถือโอกาสบอกว่าอาจารย์ขอข อ, ขอเอาไปสอนนักเรียนหนะ่อยอาจารย์โรงเรียนโรงเรียนอะไรส่วนกรหลาบหรือลาบวินิจที่เป็นสาขาสองี่ไแล้วก็ไปเวลาครูเขายืนหน้าประตูเวลาถึงเวนนะียนักเรียนจะเข้าประตูก็จะต้องยกมือไหวใช่ไหมก็เป็นครูภาษาอังกฤษเวลาถึงเวนเขาเนี่ยนักเรียนจะเดินผ่านประตูเขานักเรียนทุกคนจะพูดว่า Body and mind together, nature on the time. แล้วก็สวัสดีค่ะคุณครู <c oughs> <c oughs> คือให้กายกับใจอยู่ด้วยกันอย่างเป็นปกติธรรมชาติ <c oughs> เขาก็เลยเอาคำนี้นักเรียนในในในโรเรียนนั้นก็เลยพูดได้หมดเลย Body and mind together, nature on the time นี่นะคเขาได้กันแค่นี้เขาก็ทาได้แล้วไม่มากมาย แต่เขาเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องกันแต่ละคนเขาเลยแบบว่าเขาได้อะไรเขาเอาอย่างนงี้ยทำทำได้ทํำจนได้หละแล้เนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกในการปฏิบัติว่าจะใช่หลักอะไรอะ่ะขอให้ตัวกระจายอยู่ในการเจะได้แนละ้วนี่ผมไม่อยู่สีอ่ะโอ้โหสาวพุโทโธพุโทโธกันแล้วลมแจเขาออกกัแล้วรูดเท้าที่เก้าเดินช่วยด้วยแล้วมันก็ยังไม่อยู่เลยเดี๋ยวลืมอีกแล้วลืมไปไหนแล้ว เน่ลืมลืมทิ้งหมดแล้วเท้าที่ก้าวเดินก็ลืมไปหมดแล้วเดินไปเรื่อยเท้าที่ก้าวเดินก็ไม่รู้แล้วซ้ายหรือขวาคำบริกรรมก็ไม่เหลือแล้วมันจะคิดอะไรพเพลินจะเลินใจมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆที่พวกเราอะ่ะมนไม่อยู่หรอกพุโทโธพุโทโธไม่กี่ทีเท้าที่ก้าวเดินก็ลืมรู้ตัวแล้วแล้วก็คิดอะไรพเพลินจะเลินใจมันไม่มีบอดี้แอนด์มายทุกเกอร์กายกับใจอยู่ด้วยกันกายกับใจอยู่ด้วยกันมันไม่มีมันหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยตรงนี้มันเลยปฏิบัติเรื่นงช้า ไม่ค่อยได้ผลอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพอให้อยู่กับหลักให้หลักไว้สําหรับเป็นหลักใจก็เข้าใจผิดก็คือไม่ได้เอาต้องการเพียงแค่ความรู้สึกตัวอยู่กับหลักต้องการเป็นแค่นี้วัตถุประสงค์ให้ต้องการความรู้สึกตัวอยู่กับหลักแต่เขาก็ไปแปลเอาเองว่าพอพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเอ๊คอยมมหาเราอทำไมจิตมันไม่นิ่งเอ๊พุทโธ เ, เราทาไมาจิตไม่นิงททน่ง เราไม่ได้สอนเลยไม่รู้เขาแปลยังไงไม่ทราบว่าทําไมมาหาเราเลยุดโทจิตนิ่งไม่ใช่เราต้องการให้มันกายกับใจมันอยู่ด้วยกันคือมีความรู้สึกตัวอยู่กับหลักกับกายกับใจมันก็อยู่ด้วยกันแหละมีความรู้สึกตัวอยู่กับหลักกายกระจมัอยู่ด้วยกันเราไม่ใช่ว่าจิตนิ่งไม่นิ่งจิตสบายไม่สบายเดี๋ยวกอกอาจารย์ทําไมมันไม่โปร่งโล่งเบาวสบายอาจารย์ทําไมมันแน่นอึดอัดทึบม่นจะเอาแต่โปร่งโล่งเบาวสบายเอาแน่นอึดอัดทึบเอาจิตนิง่งจิตเฉยอะไร มันไปเอาอาการของจิตบมแล้วบอกเอาความรู้สึกตัวร uh, ู really, okay. ้สึกตัวในปัจจุบันรู้สึกตัวในปัจจุบันคือมันนอาคนละอย่างกันอ่าคนละอย่างกันถ้าบอกว่าจับคนร้ายผิดตัวก็จะเรียกว่าจับแพะจับแพะว่าจะจับแพะอยู่ได้แล้วเราบอกว่าไม่ใช่คนร้ายอันนี้ไม่ใช่คนร้ายจับแพะจับแพะผิดตัวเลยจะไปเอาอาการของใจมันไม่เอาความรู้สึกตัวเน้นถ้าเราเนี่ยรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรเราก็อยู่ในความรู้สึกตัวทําอะไรก็ทํำในความรู้สึกตัวกายกับย์จะอยู่ในการในโดอัตโนมัติ เนี่ยเราทำอะไรอยู่ในความรู้สึกตัวเราฟังกันอยู่เนี่ยในความรู้สึกตัวไม่ไม่ไม่ตาลอยใจลอยไม่เมื่อยลอยเนี่ยมันรู้สึกตัวคือมันไม่เหม่อยลอยมันไม่ตาลอยเหม่อยลอยไม่เข้าไปหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นอะไรในใจคือมันมีความรู้สึกตัวอยู่อในการที่เรามีความรู้สึกตัวนี่แน่คือตัวกับใจอยู่ด้วยกันแต่ที่เราเนี่ยเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ งั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเราพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยจิตมันจะเป็นยังไงอะช่างเขาเลยอย่าไปยุ่งกับเขาขอให้ความรู้สึกตัวของเราอะอย่าขาดถ้าความรู้สึกตัวเราไม่ขาดเนี่ยจิตจะนิง่งหรือไม่นิ่งอย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดเลยใจจะ โ, โปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งโล่งเบาสบายอย่าไปยุ่งกับเขาเด็ขาดต้องการเพียงแค่ ค, ความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน กวามรู้สึกตัวยอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นแหนต้องการเพียงแค่นี้อตอนนี้ก็มีคนมาหาหลวงปู่ทาก็แมน่ก อ, อาจา่ายนะหุดหงิดมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าอะไรใจมันเคยปฏิบัติถึงขั้นแบบสงบมากเลยแล้วหลังจากนั้นมันไม่เคยเจอความสงบอีกเลยมึงก็เลยโมโหแล้วหุดหงิดมากเหตุใดล่ะมันซึงไม่ไม่เจอความสงบแล้อะไรก็เพราะว่าพราะมันสงบแล้วอยากให้มันสงบไง อยากให้มันเป็นอย่างเก่ามันก็เลยเครียดมากเลยเครียดแล้วก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยผมมาเจอหน้าหลวงปู่ตาหลวงปู่ตาบอกว่ายฟุ้งซ่านก็เอาสงบก็เอาฟุ้งซ่านก็เอาเอามาทางนั้นแหละแค่นั้นแหละใจก็ว่างไปเลยถ้าไม่ได้บอกเลยว่านีฟุ้งซ่านก็พยายามทํำมันสงบฟุ้งซ่านพยายามทํำมันนิ่งๆถ้าไม่พูดเลยท่านบอกว่าเอฟุ้งซ่านก็เอาสงบก็เอา เอามาทางนั้นแหละภูมิภาษาอีสานภู้ายก็เอาแล้วงบก็เอาเอามาทางนั้นแหละแล้วท่านก็หัวเราะเอไอ้เจ้านี่ใจว่างไปเลยจากความว่างไรว่าจากความทุกข์ไม่ใช่ไปทําว่างๆนะ <S <S ว่าจากความทุกข์ความเครียดไปเลยหลังจากที่ทุกข์เครียดเราไปเดือนๆน่ะมันเข้าใจผิดตัวการปฏิบัติมันเลยเน่่อนช้าแล้วมันก็เลยเครียดกับไอ้ไอ้หลักที่ให้ไว้ว่าลาคาญหลักมากเลยรลาคาลหลักมากเลยที่เกียร์ที่เกียร์จับหลัก ที่เกตภูกรักไว้จะหนีไปเที่ยวอืออยากให้มันอิสระหนีไปเที่ยวเนี่ยมันก็เลยปฏิบัติมาเลยเนินจ๋าเข้าใจไหมล่ะนี่ถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงเราหลงว่หลงไปปรุงแต่งหลงไปหมกมุ่นคุนคิดหลงไปคิดอะไรเหม่อเผอเปิลไปเรื่อยหรือหลงไปหมกมุ่นคุนคิดอะไรในใจ เขไปหมกมุ่นคุณคิดอะในใจแล้วเราสามารถเห็นเขาได้รู้เท่าทันเขาได้แล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวกล้แล้วเขาไปหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นอะไรในใจเราก็รู้เท่าทันเขาแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหรือเราทําอะไรแล้วเราก็เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าใจเราอยู่กับตัวหรือเปล่าหรือไม่อยู่เราก็ทําอะไรแล้วอยู่กับสิ่งนั้นเลยทั้งวันน่ะไม่รู้ตัวเลยเราขายความรู้สึกตัว เราความรู้สึกตัวอะไรก็รู้ว่าใจมันอยู่กับปัจจุบันเราทำอะไรก็ใจมันอยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราทางานเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราว่าใจเราเนี่ยอยู่กับงานหรือไม่อยู่กับงานมันก็แค่สังเกตง่ายๆอ่ะคือเราทำงานอยู่แต่ใจมันอยู่กับงานหรือเปล่าหรือไม่อยู่กับงานเนี่ยเราก็จะสังเกตง่ายๆ เราไม่ใช่ว่าไปเพ่งจิตดูจิตดูอะไรหรอกเราก็สังเกตมันง่ายๆว่าเวลาตัวเราทํางานเนี่ยใจมันอยู่กับงานหรือเปล่าล่ะงานที่เรากำลังทําในปัจจุบันไหมงานที่เราทําในปัจจุบันตอนนี้ก็คือเราฟังกันให้เข้าใจเก็บความเข้าใจให้เข้าใจว่าเออพูดกันว่าอย่างไงแล้วคอยโต้อตอบกับเราค่อยถามคอยตัดคอยถามว่าเออมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมเรื่องอย่างนี้ไม่ถูกโอ้อย่างมาอย่างนั้นเออเรามา ในซีดีตอนนั้นมันว่าอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างงั้นอะไรเงี้ยอย่างเมื่อคืนเขาถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์บางคนอาจารย์ให้ให้รู้สึกตัวเลยบางคนอาจารย์บอกว่าให้ให้พุทโธพุทโธมีหลักไว้บางคนอาจารย์บอกว่าไม่ต้องมีหลักให้รู้สึกตัวเลยทําไมมันอาจารย์สอนไม่เหมือนกันเออสงสัยก็ถามจะเป็นอุบอุบอุบอุบอบอุบในใจคนเดียวอย่างเงี้ยตอนนี้งานของท่านตอนนี้คืองานฟังให้รู้เรื่องฟังให้เข้าใจนี่คืองานแล้วอยู่ๆเนี่ยพอนั่งฟังเสร็จตาก็ลอยใจก็ลอยไปแล้ว วันทีเนี่ยเราน้องพูดไปอ่ะแต่คนที่นั่งฟังเรามันไม่อยู่ตาลอยเป็น ไ, ไงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรกับไปแล้วมันไมอยู่เราไปเห็นแลนั่งไม่อยู่เราว่าเออมันจะกลับมาตุกทีเมื่อไหรน่นเนี่ยนั่งตาลอยเมื่อเนี้ยบางทีก็เมือ่อเขี่ยอะไรกับพื้นทีนเนี่ยเขี่ยอะไรกับปูนเนี่ยเราก็นั่งสอนไปนั่งเมื่อเขี่ยอะไรกับปูนอยู่เนี่ยเนี่ยเขี่ยอะไรกับไอ้กระเบื้องเนี่ยนั่งก็๊กดไม่ฟังอน่ะ ไม่เมือ่อคิดอะไรอยู่ในใจอ่ะเนี่แล้วก็ไม่รู้สึกตัวบางทีได้ยินเสียงอะไรหน่อยอย่างเขาตัดต้ำแข็งเนี่ยไปแล้วไม่อยู่เลยจะเนี้ยไปเตือดเปิดเบอร์ไปเลยจะเนี้ยไม่อยู่เลยไปเลยไปแล้วไปรับเลยเราว่ามันจะกลับเมื่อไหร่นะเนี่ยเรารู้ไม่กลับเลยอะ่ะไปเลยบางทีลุกไปด้วยมันไปเลยเนี่ย ไอตรงนี้มันขาดขาดสนิทเลยอ่ะมันขาดแบบขาดไปเลยอะไร่เงี้ยแบบไปเลยไปทั้งตัวทั้งกายทั้งใจไปเลยไม่ใช่แบบตาไปนะไม่ใช่ว่าใจาไปลุกไปด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยมันเลยจะต้องมีรูปแบบให้หลายอย่างมากเลยอ่ะรูปแบบหลากหลายมากเลยเพื่อเพื่อให้มันเนี้ย <S <S 1> <S 1> เออให้มันมาอยู่กับปัจจุบนันรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้น ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยให้มันแค่นี้เนี่ยความต้องการนี่ยต้องการแค่นี้เนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วตอนนี้พอมันไม่อยู่ก็ต้องหาอุบายมาเพิ่มเขยเพิ่มเขยเอาไหนจะเอารูกับเท้าที่ก้าวเดินเอารูยังไม่พอยังเมื่ออีกเอาพุทโธมาเสริมเขยอีกเอาพุทโธพุทโธพุทโธก็ยังไม่ไม่อยู่อีกอย่างเงี้ยคือหลายเสริมแล้วขนาดคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่อยู่อ่ะ เออมันทิ้งหายหมดทั้งยวงเลยอุตส่าห์เอามาบวกกับลมหายใจเขาออกเอารู้ลมหายใจเขาออกอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่อยู่เพราะว่าลมหายใจเขาออกมันละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คอยทิ้งลมหายใจเขาออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยเมอไว้เลยเอาเอาพุทโธมาบวกอันนึงเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาหายมันหายหมดเลยทั้งลมหายใจเขาออกก็ไม่รู้พุทโธก็ทิ้งอ่ะมันไม่เหลืออะไรจริงๆวละมันไปไปหมดเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะ มันก็เลยหาอุบายสอนอ้ยหลากหลายสารพัดเลยแต่ท่านเราเนี่ยเรารู้ตัวอยู่เราทําอะไรเราก็รู้ตัวอยู่ว่าในปัจจุบันว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นัน่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นมันรู้แค่นี้เนี่ยต้องการความรู้แค่นี้่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นพอใจมันไม่อยู่เออเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาใจมันไม่อยู่มันมึ่อไปแล้วมันทําอะไรแต่มันเป็นมุยหน้าหนิวกี้ขมวดมุยมุยมุยอยูยย่ในใจ ไอ้มือก็จับไปเฮะแต่ไอจิตใจก็ไปมุ้ยมุยอะไรในใจหยิบผิดหยิบถูกเอทําอาหารทําก๋วยเตี๋ยวทําอะไรหยิบไอนี่ใสไอนั่นใสไอตุ้ดตีใสอะไรไปเปล่าวะเมื่อกี้น้ำปลาใสไปที่ยันใส่ซ้ำเข้าไปอีกเอาเข็มปีเลยทอนนี้ไม่รู้ใส่ไปแล้วอย่างโมแต่ไปดั้งคิดอะไรเพลินไปก็ไม่รู้หยิบปั้วหมดอะเอาไอนี่ไปใสน้อยนั้นไปใสนี่เอามันไม่อยู่อะไม่อยู่เนี่ยมันก็เลยต้องฝึก ฝึกให้ตัวกับใจมันอยู่ด้วยกันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตอนนี้ก็น่าอยู่กับเราเนี่ยก็ฟังรู้ฟังเราตั้งใจฟังได้คืองานงานคืองานที่ว่าตัวมาฟังเราพูดเนี่ยแล้วใจมันฟังไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยตัวฟังเราพูดใจมันฟังเปล่ามันไม่ฟังก็ต้องเอารู้สึกตัวขึ้นมาใจมันไม่ฟังก็รู้สึกตัวขึ้นมามนไม่ได้ฟังมันไปไหนไม่ต้องไปนสนใจเมื่อหลักก็เห็นได้ว่ามันไม่อยู่เออ เราก็รู้สึกตัวขึ้นมามันไม่อยู่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาไม่อยู่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยอีกกรนีหนึงอ่ะพ อ, อฟังปุ๊บคอหักนิ่งไปเลยไ ม, ไม่ไม่ตื่นเลยอ่ะพอฟังทำจบปุ๊บพอบพูดเสรอ้าวรู้สึกตัวเออพอพ อ, พอเริ่มฟงังธรร ม, มะเอาตอนนี้เป็นรายการฟางรังธรรมะพอฟงังธรรมะคอหักเร็วมากเลยเราไม่รู้ตัวเลยอ่ะกว่าจะรู้ตัวที พอเอาเสร็จจบแล้วเออสบายแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเอาจริงจริงนี่พูดความจริงอะ่ะเออโดนใครบ้างก็ไม่รู้ <c oughs> เอาธรรมะของจริงะนะมนึง กี่ปีล้วอยู่กี่ปีก็ไม่เห็นไปยังไงเลยแต่ละคนปฏิบัติเรื่อนี้เร็วมากจริงๆเลยสงสัยป่ะหายสงสัยป่าว่าทำไมมันต้องมี น, นุ่นมีนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยหลักอ่ะก็ก็าหายสงสัยค่ะแต่ทีนี้อย่างที่หลวงตาบอกอ่ะก็คือแค่ให้กายอยู่กระจ กายไปไหนกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ที่เคยร่ำเรียนมาสมมติว่าที่เราเคยเรียนเรียนกันมาอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่านั่งสมาธิก็คือให้จับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคือทุกคนก็อาจจะคิดว่านั่งสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าให้นิ่งแบบที่เขาอยากได้ความว่างความสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพแต่ว่าพอหลวงตามาอธิบายว่าออ เพื่อที่ว่าให้เป็นหลักให้ยึดอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต้องการไอ้นิ่งสงบอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะบางทีเนี่ยที่หนูถามหนูตาก็เพราะว่าเอ๊ะรู้ว่าต้องนิ่งเอี่ยเหมือนกับว่าอยากจะได้ฌานอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตอ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่นี้ก็เคลียร์แล้วค่ะมันก็ไม่ได้นิ่งเหรอฌานมันก็ไม่นิ่งมันเป็นว่าแค่แค่มันเลี้ยงอารมณ์ไปทันวิตกวิจารมันก็ยังไม่นิ่งเลยทันวิตกวิจารมันก็เป็นงานไง งานเอาใจเราให้ความรู้สึกตัวเราอย่าขาดอย่าทิ้งไปอย่าทิ้งเครื่องลอ่อตัวเราอย่าทิ้งเครื่องร่อไปอยู่กับอย่างอื่นให้ตัวเราเนี่ยมันอยู่เครื่องร่องานงานงานนั่งสมาธิพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตก็ให้รู้สึกตัวอยู่กับเครื่อ ง, อ ง, ง, นนงร่ <con v inc al ics> ออย่าทิ้งความร <c oughs> ู้สึกตัวหนีไปเที่ยวที่อื่นอย่าทิ้งเครื่องร่อหนีไปเที่ยวอื่นแล้วอยนั่งหลับเหมือนเราว่าคอเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรไงหรือว่าทิ้งเครื่องลอ่อหนีไปเที่ยวที่อื่นแล <Likewise>. ้ว ถ้ามันมีเครื่องล่ออยู่อย่างนี้แน่เออแล้วไปทิ้งเครื่องอล่อที้ไปเที่ยวที่อื่นต้องไม่นั่งหลับคอหัดอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้ผลมันก็เป็นสมาธิมันเองแหละมันก็เลยต้องมีท่ามาตรฐานคือสมาธินี่เราจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการมากเราแค่ต้องการแค่คณิกะสมาธิคือเพื่อให้อยู่กับใจแค่นั้นแต่บางเพื่อให้เห็นเพื่อเห็นว่าใจไม่อยู่กับตัวเพื่อแค่เพื่อให้แกคณิกะสมาธิเพื่อความสงบใจให้เห็นว่าใจไม่อยู่กับตัว มันได้สังเกตเห็นนะแต่ถ้ามันไม่ส ง, งบซะเลยมันก็ไม่เห็นหรอกค่ะทีนี้แบบพอพอฟังต่อไปอย่าเงี้ยเขาก็จะต้องมีสมาธิขั้นนู้นขั้นนี้ขั้นนั้นลึกลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความเข้าใจตัวเองว่าก็คิดว่าเอ๊ะหรือนั่งสมาธิเนี่ยมันจะต้องต้องให้ได้ลึกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นมันจําเป็นแค่แค่ให้เอ๊มีความส ง, งบใจพอที่เห็นจิตใจของเราเนี่ยไม่อยู่กับตัว เออมันมันไปแล่นไปหาใครแล่นไปเกาะเกี่ยวอะไร survey. คือต้องการแค่นี้แหละวัตถุประสงค์อะ่พะพอใจเรามีความสงบแล้วเนี่ยเราจะได้มองเห็นว่าเออใจเราไม่อยู่กับตัวมันแล่นไปหาเขาอีกแล้วไปเกาะเกี่ยวบวัวพันเขาอีกแล้วแล่นไปหาเขาอีกแล้ว เ, เราก็รู้เท่าทันอ่าเราก็รู้เท่าทันไปเออเดี๋ยวก็แล่นไปอีกเราก็เห็นอีกแล่นไปอีกเราก็เห็นอีกอ่อมันแล่นไปคือใจไม่อยู่กับตัวมันออกไปเราก็รู้เท่าทันรู้เท่ารู้ทันอ่าพอลุทเท่ารู้ทันแล้วมันก็เออมันก็มันก็ก็รู้ตัวตัวขึ้นมาแล้ว รู้เท่รู้ฐานกันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาโดกระทั่งอ่ะเรารู้ตัวว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวว่ามันอยู่กับปัจจุบนันรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมันไม่ไม่ไม่แล่นออกไปหาใครเพราะว่าดูนะมันก็ไม่มีจะแล่นไปหาใครในปัจจุบนันใจัน ก, ก็เริ่มไม่ทุกข์แล้ตอนนะี้เวลาเขาสอนทําอะไรมันก็จะเข้าใจง่ายแต่ถ้าถ้าเราเนี่ย ถ้าเราไม่ใจไม่สงบพอเนี่ยมันฟังธรรมเขไม่รู้เรื่อง mm hmm. เพอมีความสงบเนีย่ยมันก็เห็นหมดแหละ mm hmm. เขาว่าอะไรใจใจสงบเลยเห็นจิตที่เคลื่อนไหวแต่คนก็ใจผิดจะจะเอาไอ้จิตที่เคลื่อนไหวให้มันสงบวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมันสงบเลยเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเนี่ยวัตถุประสงค์กั่ตรงนี้เองคือใจสงบเลยเห็นจิตที่เคลื่อนไหวแต่คนก็ใจผิดคือไปทําให้จิตที่เคลื่อนไหวให้มันสงบ มันแตกต่างกันนิดเดียวนะแต่มันผิดกับโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยคือจะไปทําให้จิตที่เคลื่อนไหวให้มันสงบแต่จิตที่เคลื่อนไหวมันก็คือส่วนที่จิตเคลื่อนไหวส่วนใจที่สงบใจที่มันไม่มีกิริยาการใดๆเนี่ยมันก็คงเป็นใจที่ไม่มีกิริยาการใดๆส่วนได้จิตที่เคลื่อนไหวมันก็คงทําหน้าที่จิตเคลื่อนไหวมันคนละตัวกันขอบอกว่ามันเป็นคนละตัวกันเนี่ยมันเช้ายังยังบอกกับยังว่าท่านโออยู่เนี่ยว่าท่านโอเข้าใจผิดนะท่าน แต่ก er ็ยังว่าเมื่อก่อนนี่ก็เราก็พูดทีแล้วท่านมเหมือนจะเข้าใจเมื่อเช้าโดนเราดูอ mm ีก hmm. ว่าไม่เข้าใจนะเข้าใจผิดเขาก็ยังเข้าใจเข้าใจท่านเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันพอเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันท่านก็เลยทําผิดตลอดมาเพราะแหละท่านเข้าใจว่าเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ใจที่มันคิดไปแล้วก็เมื่อไหรที่มันไม่คิดมันก็คือไม่หลงไอ้ใจที่มันคิดไปก็คือหลงท่านไปเอาใจที่มันคิดได้ กับใจที่ไม่คิดเนี่ยเป็นตัวเดียวกันท่านเลยไปตั้งสมมติฐานแบบนี้แล้วก็เลยต้องฝึกให้ใจเนี่ยที่มันคิดแล้วก็ให้ไม่คิดคิดแล้วก็ให้ไม่คิดให้รู้ท่อฐานที่มันไม่คิดมันจะได้ไม่หลงเออเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ใจที่มันคิดแล้วเมื่อไหร่ทําให้มันไม่คิดตอนเนี้ยใจของท่านมันก็จะเป็นใจที่เป็นพุทธะเป็นสุญญาตาธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นอมตะธาตุท่านไปเข้าใจ แบบนี้ใครเข้าใจแบบนี้ที่แอบวไปจะบริเข้าใจผิดแบบที้ต้องทิ้งไปเลยเราเห็นอยู่ในว่ามันมันผิดจริงๆนะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเ ห, เหมือนเลยคือไปเข้าใจไว้จิตที่มันคิดปรุงแต่งที่มันมีกิริยาการได้ที่เป็นจิตสังขารกับที่เป็นพุทธะหรือจิตตั้งเดิมแท้ๆที่เป็นพุทธะที่เป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นธรรมธาตุเนี่ย อันเนี้ยเราไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นคนละตัวไอจ้จิตที่เป็นพุท ธ, ธะที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึง่งไอ้จิตที่คิดนึกตึกตอนปรงแต่งเนี่ยมันเป็นตัวสังขารมันเป็นอีกตัวหนึง่งมันเป็นคนละตัวกันพอเราเข้าใจผิดเนี่ยว่ามันเป็นตัวเดียวกันเลยเราเข้าใจว่าถ้าเราไปทําให้จิตที่มันคิดเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยให้มันหยุดคิดแล้วมันเป็นไอ้จิตที่ไม่คิดมันก็จะเป็นพุทธะ สุญญตาธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นความว่างเป็นนิพพานธาตุเพราะเข้าใจแบบเนี้ยมันเลยพยายามไปทําให้จิตที่มันคิดให้ไม่คิดคิดให้ไม่คิดคิดให้ไม่คิ ด, ค ด, คดเพราะไปตั้งสมมติฐานว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่มันไม่คิดมันก็จะเป็นนิพพานธาตุเป็นความว่างไปหมดเลยมันไปเข้าใจผิดเราพยายามพูดแรกเราไม่กล้าปล่อยขึ้นยูทูบเพราะว่าเรากลัวคนจะว่าเพราะว่าคุณไม่เห็นนะเราพยายามบอกว่าในร่างกายเราเนี่ย มันมีส่วนที่เป็นไายเนื้อเนี่ยไายเนื้อหนึ่งกายกายเนื้อหนึ่งกายนี่ไกยเนื้อนี่ไอ้กายที่มันทํางานเนี่ยได้หนึ่งกายกับไอ้กายจิตกายจิตมีไกยเนื้อกับกายจิตเอี่กายจิตก็คือกายจิตตสังขารเนี่ยไอ้กายจิตกายจิตเนี่ยมันมันทําหน้าที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ไอ้กายจิตมันมีหน้าที่มีความรู้สึกไม่กิดอารมณ์ติดต่อสื่อสารการพูดคุยเนี่ยมันปรุงแต่งที่ให้สามารถพูดคุยกันได้เนี่ยมันเป็นกายจิตสังขารคือมันคิดปรุงแต่งมันบงการให้เราพูดคุยได้ให้เราเดินไปหยิบของก็จับอะไรได้นี่เป็นกายจิตสังขารอีกกายหนึ่งแล้วไอ้กายเนี้ยมันมีสองกายแล้วแล้วมันมีอีกอันเรื่องยืนในร่างเราเนี่ยคือพุทธะ หรือสุญญตาธาตุนิพพานธาตุหรือจิตดังเดิมแท้ๆซึ่งไม่มีกิาการใดๆเลยเป็นความว่างเปล่าดังอวากาศตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีมมเลยระเบียบเหมือนกับว่ามันมีสองกายกับอีกหนึ่งคือพุทธเจรลญต้องมีสองกายแล้วก็อีกหนึ่งคือพุทธแต่ฟังไปฟังมาไม่รู้ฟังยังไง มันไปเอากายที่เป็นจิตจิตสังขารเนี่ยกับกายที่เป็นพุทธะเนี่ยขณะใดเนี่ยที่ไอจิตที่มันเป็นพุทธะเนี่ยไปคิดก็เรียกว่ามันไม่ได้เป็นพุทธะมันเป็นจิตสังขารแล้วพยายามไปรู้ต่ทานให้มันไม่คิดแล้วกับเมื่อไหร่มันไม่คิดมันก็เป็นพุทธะเป็นสุญญาตาธาตุแล้วทำกันอย่างนี้นะมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่ามันไปเอาไอ้กายจิตสังขารกับไอ้ถ้าจะพูดถึงสมมุติว่าเราพูดถึงกายพุทธะนี่กายมันได้เป็นสามกายกันแล้วกัน มีกายพุทธะนี่สมมติเลยนะเพราะว่ากายไม่มีกายหรอกเรียกวกายพุทธะก็แล้วกันหรือจิตตั้งเดินตะแถงก็เลยมีสามกายเราไปดูหนังพระเจ้ามหาศัสดาโลกตอนที่พระเจ้าตัดสรู้แล้วเนี mm. like. <ian> ่ยแล้วพระเจ้าตัดสรู้เสร็จแล้วเป็นพุทธะแล้วเนี่ยกายของพุทธะเนี่ยมีผมหยิกหยิกยิกหกหยเป็นแบบว่าก้นหอยอ่ะแต่ตอนที่พระเจ้าเนี่ยเดินไปที่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงโตๆใครใครดูหนังพะเจ้ามหาสัสดาโลกตอนที่ตัดสรู้แล้วเนี่ย ตอนพระเจ้าเดินไปเดินฝ่าแม่ขึ้นไปที่ดงจันทร์พระโตเน่ะมันจะมีกายอีกสองกายเข้ามารวมอ่ะที่เดินไปอ่ะกายพุทธะเดินไปแล้วมีกายอีกสองกายมันรวมกันแล้วก็มารวมอยู่ในกายเดียวกันรวมเป็นสามกายสามกายเนะี่ยมันมารวมอยู่ยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องรวมสามกายแม้แต่บรรลุเป็นพุทธะคือสําเร็จอรหันแล้วแต่มันยังต้องอยู่กับสามกายคือกายเนื้อและกายจิตแล้วก็พุทธะเลยมีสามกาย วัตถุประปสงค์ตารกันนี่ใช่ไหมไอ้กายจิต ส, สังขารที่มันคิดปรุงแต่งได้เดีย๋ยส่วนพุทธกับพุทธาที่มันเป็นความว่างเนี่ยมันคนละตัวกันแต่เมื่อเราไปทําความเข้าใจเป็นตัวเดียวกันมันเลยปฏิบัติตั้งสมมติฐานผิดแบบเนี้ปฏิบัติผิดมาตลอดเลยคือพอจิตมันคิดปับ๊บมันก็สร้างผู้รู้ปับ๊บแล้วเป็นดับดับไม่ให้คิดพอมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ปรุงแต่งสร้างเป็นผู้รู้ปับไปจัดการไปจัดการกับไความคิด ให้ความคิดว่างเปล่าไปหมดเลยเอคิดปุ๊บไปจัดการคิดปุ๊บไปจัดการฉุตอนนี้ผมมันฝึกเข้ามก็เร็วขึ้นเลยฝึกเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆพอคิดปุ๊บคิดปุ๊บคิดปุ๊บอย่างเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ทั้งวันเนี่ยเพราะอะไรวัตถุประสงค์คือเข้าใจผิดว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไอ้จิตที่มันคิดเนี่ยมันถูกจัดการหมดมันก็เลยจะเป็นพุทธะแต่มันเป็นคนละตัวครับมันจะเป็นพุทธะได้ไงจิตที่คิดมันเป็นจิตปรุงแต่ง ไอพุทธภมันเป็นความไม่ปรุงแต่งประจิตดั้งเดิมแต่แท้มันปฏิบัติคนละตัวคนละเรื่องละเล่าเลยแล้วปฏิบัติกันอย่างนี้เยอะมากเลยอ่ะที่มาหาเราอะ่ะเราสอนธรรมะอยู่ไม่ฟังแล้วเราดูดิว่าในใจมันทําอะไรมันีไล่กันเป็นวัว ก, กระดิงบ้าไล่ขิดความคิดอยู่นั่นแหละพอความคิดเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งเป็นผู้รู้มจาิ ก, การความคิดปุงเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งผู้รู้มจิ ก, การเราว่าเอ๊ะมันไม่ฟังเลยมันทําอะไรเนี่ยเดี๋ยว ท่านทำอะไรของท่านอย่างเงี้ยทําเหมือนวัวกระทิงบ้าไล่กิดอะไรสักอย่างใกล้กิดความคิดอยู่นั่นแหละแล้วไปท่านไปกิดทำไมอ่ะนั่นแหละแล้วเหมือนกับเนี่ยทำนะทำใใคล้ายๆเราเราเห็นเหมือนกับว่าพอขึ้นเวทีได้ก็ต่อยต่อยคู่ต่อสู้บนเวทีให้ตกประเด็นหมดเลยต้องการเพียงอย่างเดียวให้เวทีว่างเปล่าแล้ววะทำไมทํางี้อ่ะเข้าใจผิดแล้ว มันไปเข้าใจเอ้ยจิตตั้งเดิมแท้ๆซึ่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลเนี่ยก็ไปจริงจิตปรุงแต่งเนี่ยไปเข้าใจว่าเป็นคนละขณะดเลยเราก็ไปทำให้จิตเนี่ยที่ปรุงแตง่งมันดับไปเมื่อไหร่มันดับไปหมดเราจะได้เป็นพุทธะคือเป็นความว่างเปล่าแล้วเป็นนิพพานไปโอ้ยเข้าใจผิดแบบนี้ไปยังไงไม่ไปยังไงหลายคนยังเข้าใจผิดในอย่างงี้เนี่ย มันมีสามตัวเราพูดอยู่สามตัวมีสามตัวเราเปรียบให้มีว่าสามตัวแต่กายพุทธะมันไม่มันไม่มีกายหลัก <_ Bradley> เขาเปรียบไปเห็นเป็นรูปธรรมว่ามันมีพุทธะมีพุทธะคือมีจิตดั้งเดิมแท้หรือสุญญต า, าธาตุอีกอันหนึ่งไอ้ตัวนี้มันก็เป็นอยู่ของมันตลอดกาลน่ะแนะมันไม่มีแบบปรุงแต่งแล้วหยุดปรุงแต่งปรงแต่งแล้วหยุดปรุงแต่งหลักมันเนี่ยเป็นตัวไม่ปรุงแต่งตลอดกาลแต่ไอตัวไหนปรุงแต่งได้มันก็เป็นไอตัวจิตไอกายจิตสังขารตลอดกาลมันเป็นคนละตัวกันดังนั้นเนี่ย ไอ้จิตซึ่งเป็นพุทธะหรือเป็นกายพุทธะเนี่ยจิตตั้งเดิมแท้เนี่ยมันหลงไม่ได้มันหลงไม่ได้เพราะอะไรมันปรุงแต่งไม่ได้มันคิดมันนึกมันตึกมันต่อมันปรุงแต่งไม่ได้ไอ้จิตที่เป็นพุทธะเนี่ยมันเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะหลงเพราะว่ามันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้แต่ไอ้ความหลงเนี่ยมันเอาไอ้จิตจะสังขารคือไอ้กายะสังขารกายจิตเนี่ยเป็นตัวหลงหลงเอาไปปรุงแต่งยึดถือโน่นยึดถือนี่ ไอ้ตัวหลงเนี่ยมันคือตัวไอ้กายจิตสังขารที่มันคิดหลงแต่ไอ้พุทธะเนี่ยมันไม่มีกิริยาการใดเลยมันไม่มีมันไม่มีกิริยาการใดทั้งหมดมันคิดไม่ได้นึกไม่ได้มันเลยไม่หลงมันลอยเลยหลงไม่ได้มันหลงไปยึดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความว่างไม่มีเครื่องมือไม่มีกิริยาการใดๆมันคิดนึกไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์จะหลงไอ้คนหลงเนี่ยมันคือไอ้กายจิตสังขารที่มันหลงนั่นหลงนี่หลงยึดนั่นหลงยึดนี่หลงปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นกายจิตสังขาร แล้วเราก็เอากายจิตสังขารเนี่ยปรุงว่ามีตัวเป็นตัวเราเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปจัดการกับความคิดมันปรุงซ้อนสองชั้นมันเอาไอ้ตัวจิตสังขารตัวปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไอ้ส่วนพุทธะเนี่ยมันปรุงเป็นตัวเราไม่ไ ด, ไได้เพราะว่ามันเป็นความว่างมันคิดไม่ได้ปรุงไม่ได้มันเป็นความว่างตลอดกาลเป็นความว่างเช่นเดียวกับอากาศเนี่ย มันปรุงไม่ได้ปรุงเป็นตัวเราไม่ได้ไอ้ที่แล้วมันปรุงว่าเรามีรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราเป็นตัวเป็นตนหรือตัวตนของเรานี้มีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปจัดการความคิดทุกความคิดให้มันดับไปเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าไอ้ความคิดมันก็เป็นตัวปรุงแต่งไอ้ที่ปรุงตัวเราเนี่ยก็เป็นตัวปรุงแต่งแล้วมันก็ปรุงแต่งเอาไปจัดการความคิดให้มันหมดไปให้เหลือแต่ใจว่างเปล่า ไอ้ตัวนี้มันก็เลยเอาปรุงแต่งไปเล่นกันที่ปรุงแต่งความหลงเอาวิชามันหลงตัวนี้ไม่ใช่ไปหลงอะไรหรอกไอ้ตัวพุทธะมันหลงไม่ได้เพราะมันไม่มีกิริยาการใดๆมันก็คงเป็นอวกาศอยู่นแนะปัญญาเข้าถึงความจรธรรมความจริงอันสูงสุดก็คืออันนี้เนี่ยว่ามันมีสามตัวมันมีสามตัวมันคนละตัวกันประชาเราว่าไปยังไม่เข้าใจพระชาระดูท่านโอปไปก็ยังไม่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยตรงเนี้ยก็ยังงงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวท่านเย็นกลับมาจะมาคุยกับเราใหม่ เราบอกตั้งแต่เขาก่อนแล้วแล้วแกก็ ก, กลับไปเข้าใจเหมือนเดมิมอีกว่าไอ้ตัวเนี่ยพุทธะเนี่ยไายตัวจิตจากหลังคาเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันคือเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวพุทธะมันไปปรุงแต่งมันเลยกลายเป็นไอ้ตัวปรุงแต่งเมื่อไหร่ไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันก็ได้กลับมาเป็นไอ้ตัวพุทธะโอ้ยมันปฏิบัติกันอย่างนี้มันก็ไปคนละเรื่องละลาวแล้วก็จะผิดสมมติฐานผิดแรงปฏิบัติจะไปยังไง ขอให้เราเห็นว่าไอ้ต yeah. ัวปรุงแต่งไม่ว่าจะปรุงแต่งเป็นตัวเราหรือปรุงแต่งเป็นอะไรก็ตามต่อให้ปรุงแต่งให้เราเนี่ยนิ่งเฉยเงียบนิ่งเฉยเงียบมันก็เป็นไอ้ตัวปรุงแต่งอยู่เรื่อยไปนั่นแหละให้มีอาการนิ่งนิ่งเฉยเฉยโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆมันก็เป็นตัวไอ้ปรุงแต่งไม่ว่ามันจะนิ่งจะเฉยจะโปร่งจะโล่งจะเบาจะว่างๆไงก็ตามมีความรู้สึกวัางๆมันก็เป็นตัวไอ้ปรุงแต่งเพราะมันมีอาการให้จับความรู้สึกได้มันเลยเป็นตัวปรุงแต่ง แต่พุทธะเนี่ยมันมีแต่รู้รู้รู้รู้ซื่อๆหู้ซื่อๆมันเนี่ยปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันรู้อย่างเดียวอย่างตรงไปตรงมามันเป็นยังไงสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านมันก็รู้มันได้แต่รู้แต่ไอตัวพุทธะมันฟุ้งซ่านไม่ได้มันสงบไม่ได้เพราะว่ามันได้แต่รู้อ่าสงบแล้วมันก็รู้ไอสิ่งที่ถูกรู้่มันจะเป็นพุทธะไม่ได้พุทธะมันแปลว่าผู้รู้พุทธะมันแปลว่าผู้รู้ ดังนั้นเนี่ยอาการใดๆสงบมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้โปร่งโล่งเบาสบายว่างว่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่โปรงไม่โล่งไม่เบาสบายว่างว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความคิดทุกความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ดับความคิดหมดจะเหลือแต่ความรู้สึกว่างจากความคิดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เดี๋ยวมันก็คิดต่ออีกจะเป็นหยุดคิดได้นานตั้เท่าไหร่เดี๋ยวก็คิดต่อทั้งหมดเนี่ยที่ถูกรับรู้ได้มันเป็นมันเป็นไใ้ตัวกายกายจิตกายโปร่งแสงหรือกายจิตสังขาร ที่มันจะกระเด็นออกไปจากนอกตัวเราเวลาเราตายเอ้ยเอ้ยเราไปคําพูดสมมุติคือไอ้กายเนื้อเนี่ยมันตายมันสิ้นลมหายใจมันจะมีไอ้กายโร่งแสงคือไอ้กายจิสาขาเนี่ยมันกระเดนออกมากนอกกายเนื้อมันก็จะมาร้องให้หน้างานศพตัวเองเนี่ยแต่ลราศพที่เราเล่าให้ฟังอะ่ะพอมาถึงงานศพตัวเองมันก็มาร้องให้แล้วไอ้กายโปร่งแสงเนี่ย ถ้าเราไปยึดเอาว่าไอ้ไอ้ไอ้จิตสังขารกายสังขารว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเหมือนที่ท่านโออ่ะไปยึดเอาไอ้กายจิตสังขารกับไอ้กายพุทธทะพุทธทะเนี่ยซึ่งเป็นสุญญตาธาตุเนี่ยเป็นตัวเดียวกันถ้าประยุทธ์เป็นตัวเดียวกั น, น, กนมันก็เท่ากับไปยุึดเอาเ อ, เองเอกายจตสังขารเป็นตัวเราตอนนี้เวลาตายแล้วมันจะกระเด็นออกมานอกร่างตอนนี้เขาอ่ะ เขาจะเอาไปที่ก็หลอกล่อตามมาตามมาพอตายแล้วมันก็จะเหลือไอ้ไอ้กายโปร่งแสงออกกระด้นออกมาก็จะมีคนมาหลอกล่อเอ้าตามมาทานนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนู่นพาไปดูนี่ตามเขาไปก็ตายจริงตายจริงๆอ่ะตายจริงๆไอ้กายเนื้อก็ตายจริงหายใจเฮือกๆก็ตายเลยเพราะอะไรไอ้กายจิตปร่งแสงมันไม่ดับนะเพราะว่าเราเนี่ยไปยึดเอาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้กายเนื้อกายจิตปร่งแสงเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราไปยึด เอาเปนว่าเป็นตัวเับเป็นตัวตนของเรามันเลยไม่ดับการเรายึดผิดตัวเราเนี่ยคือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือวิญญาณธาตุดั้งเดิมแท้ๆที่มันเข้ามาผสมกับธาตุดินธาตุดนน้ำธาตุดลมธาตุไฟธาตุดินเนี่ยแต่ดั้งเดิมก็คือสเปิร์มของพ่อที่มวายเข้ามาเนี่ยเนี่ยคือธาตุดินธาตุน้ําเนี่ยก็เข้ามาเจาะไข่ของแม่เนี่ยน้ำน้ำเนี่ยน้ําเออน้ําเป็นวุ้นเนี่ยไข่เป็นวุ้นเนี่ยมันก็เป็นธาตุน้ําแล้วแม่ก็หายใจเอาธาตุลมธาตุไฟเข้าไปแล้วก็กินธาตพืชธาตุศตร์เข้าไป ตัวไอ้ที่วิญญาณเนี่ยที่มันมาเข้าเนี่ยนั่นแ่ละคือดั้งเดิมแท้ๆวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆตัวต้นไม่มีหรอกแต่มันยึดผิดตัวไว้มันยึดเอาไอ้ตัวกายสังขารหรือไอ้ไอ้ตัวจิตสังขารที่มันปรุงแต่งได้ว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็เลยยึดผิดตัวพอยึดผิดตัวมันก็เลยไปเอาไอ้ตัวที่ไอ้แต่ไอ้กายเนื้ออะยึดยังไงมันก็ต้องดับเน่าแต่ไอ้กายจิตโฟงแสงอ่ะมันไปยึดไว้มันเลยไม่เน่าไอ้ตัวนี้ไม่ตายไงมันไม่ตายก็ถูกเขาเอา ยมาทู่มันจับเอาตัวไปมั่งหรือว่าเขามากวักมือเรียกมั่าตามมาตามมาตามมาไอตัวโปร่งแสงมันไม่ดับไงมันก็ตามเข้าไปก็ตายเลยจริงๆเนี่ยแต่ไม่ตามเข้าไปมันก็ยังไม่ตายอแต่ถ้าเป็นเราเข้าใจแต่แรกแล้วว่าเรานี่คือพุท ธ, ธะเราไม่ได้หมายถึงว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนแต่เราคือพุท ธ, ธะหรือวิญญาณที่มาผสมตั้งแต่แรกแรกนู่นมันเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้ วิญญาณนั่นแปลว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณแปลว่าผีแต่ชาวบ้านทั่วไปบอกว่าวิญญาณแปลว่าผีเพราะว่าเขาไปเอาคนที่ยึดไอ้กายเนื้อหรือไอ้กายจิตสังขารเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเวลาตายแล้วเราก็เลยไปรวมอยู่กับไอ้กายจิตสังขารเป็นตัวายเนื้อมันดับตัองเน่าแต่เราไปรวมกับไอ้ไอกายจิตสังขารที่มันป็นตเป็นตัวปรนงแสงที่ไม่มี็นตัป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตวเป็นตัวเป็นตัวเปนตัวเนตัวเป็นตัวเป็นตเป็นตป็ตัวเปนัวปนตัวนัวน คนตั้งหลายก็เลยเห็นว่าเป็นผีบางคนเห็นได้กเลยเป็นผีออกมาเลยเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าผีแต่จริงๆอะวิญญาณมันแปลว่ารู้เมื่อไรเนี่ยเราเนี่ยดับอวิชาคือเราเป็นรู้คือรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเป็นความว่างเช่นเดียวกับอากาศส่วนไอ้กายเนื้อไม่ใช่ตัวเราไอ้กายจิตปงไอ้กายจิตปรงแสงที่กายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ย ไม่ว่าจะว่างโล่งปร่งเบาสบายจะว่านิ่งหรือไม่นิ่งก็ตามเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวจิตปรุงแตง่งเป็นกายปรุงแตง่งเป็นไอ้กายปร่งแสงที่จะกระเด็นออกมาแต่เราเนี่ยเป็ น, ปนกายพุทธะเสร็จแล้วเป็นสูนย์จิตาธาตุธรรมธาตุนิพพานธาตุซึ่งไม่มีตัวตนแล้วเป็นอมนามบตาธาตุเวลาตายแล้วไอ้กายเนื้อก็เลยดับไอ้กายจิตปรุงแตง่งมันไม่มีตัวเราอยู่ในมัน เพราะเราไม่ได้ยึดไว้ไอ้กายจิตโปร่งแสงเนี nya, a, ่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราแล้วเราเป็นรู้ไอ้กายจิตปร่งแสงมันก็เลยดับไปเพราะเราเป็นรู้เราไม่เอาไปไม่เอาตัวไอ้จิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราเราเป็นรู้หรือเป็นพุทธะเลยเราก็เลยวิญญาณวิญญาณเป็นพระธานรู้เลยกลายเป็นวิญญาณนัทธาที่เป็นธาตุที่บริสุดเลยหลุดออกมาจากไอ้กายจิตปร่งแสงไอ้กายจิตปร่งแสงเมื่อไม่มีวิญญาณอยู่มันก็เลยดับไปเหมือนกับอย่างกายเนื้อเนี่ย เมื่อวิญญาณออกจากกายเนื้อเมื่อไหร่กายเนื้อมันก็สิ้นลมหายใจพอไอ้วิญญาณออกจากไอ้กายจิตปร่งแสงเมื่อไหร่ไอ้กายจิตโปร่งแสงมันก็ดับหรือเรียกว่าตายภาษาเรียกว่าตายงนั้นไอ้วิญญาณธาตุเมื่อเราเรารู้เราเข้าใจว่าตัวเราเป็นวิญญาณธาตุหรือเป็นพุทธะเป็นกายอย่างพุทธะพอวิญญาณเนี่ยมันออกจากร่างนี้ปุ๊บไอ้พุทธะเนี่ยออกจากร่างนี้ไปไอ้ร่างกายเนื้อมันก็ดับแล้วก็เน่าไป ไอ้วิญญาณเนี่ยมันไม่ยอมรวมกับไอ้กายที่มันกายจิตโปร่งแสงไอ้กายที่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์มันไม่ยอมรวมมันเป็นรู้มันไม่เอา ไ, ไอ้ไอ้จิตที่มีอาการเนี่ยที่มันโปร่งโล่งเบาสบายที่มันว่างๆที่มันแน่นอั ด, อดที่มันจิตดีไม่ดีจิตเป็นอย่างวู้นจิตเอย่างนี้จิตดีจะเอาจิตไม่ดีไม่เอาจะเอาแต่จิตดีๆไอ้นี่นเป็นกายโปร่งแสงหมดเพราะว่าลองได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจิตแล้วก็มันก็เป็นโปร่งแสงหมดน่ะมันจิตดีมันก็โปร่งแสงจิตไม่ดีมันก็โปร่งแสงจิตมันคิดจิตมันไม่คิดมันก็เป็นโปร่งแสง มันก็เป็นไอ้กายปร่งแสงเป็นตัวปร่งแสงเราไปแสวงหาปฏิบัติโดยแสวงหาจิตดีไม่เอาจิตไม่ดีไปแสวงหาปฏิบัติจะเอาจิตที่มันไม่คิดจิตที่คิดไม่เอาแต่ยังไงมันก็เป็นตัวจิตจากสังขารคือไอ้ตัวปรุงแต่งเป็นกายปรุงแต่งหมดถ้าเราไปเอาไอ้ตัวนี้ยเราก็จะกลายเป็นไอ้ตัวโปร่งแสงที่ไม่ดับออกมาแล้วก็เดี๋ยวย ม, มทูตเขก็เอาสามง่ามมาแทงเข้าไปหรือมันก็ามากวาดมือเรียกเขาไป แล้วก็ออกกระเด็นออก่านั่งร้องไห้ในหน้างานศพตัวเองอะ่ะอาจารย์ฝากครอบครัวผมด้วยฝากครอบครัวหนูด้วยอาจารย์ร้องโห่มร้องไห้โอ้ยช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้ว ย, อาา ย, ว ย, วยโอ้ยหน้าเบื่อจริงๆมันก็มานั่งร้องไห้ในงานศพตัวเองอเน่ะแหละอะไรไอ้ตัวนี้มันไม่ดับไงเพราะว่ามันมันยึดเอาไอ้ตัวที่มันมีความรู้สึกมีคิดลมไอ้ตัวที่ปรุงแต่งเป็นตัวเรามันไม่ได้เข้าไปถึงไอ้พุทธะที่ว่าใน ในร่างเราเนี color, groups, left, left, park, ่ยมันมีสามตัวคือมีกายกายหยาบกายละเอียดในกายเนื้อนี่ยแล้วกายจิตโปร่งแสงกายละเอียดแล้วมันก็มีพุทธะสามตัวมันอยู่ในตัวเนี้ยในตัวเราเนี่ยแต่เราเนี่ยมันเอาบางคนก็เอาเป็นตัวเดียวคือไอ้ตัวนี้เลยต้องตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราบางคนไม่ยึดไอ้กายเนื้อเป็นตัวเราแต่ไปยึดเอาไอ้จิตดีจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาเจ้าจิตดีจิตคิดไม่เอาเจ้าจิตไม่คิด ไปยึดไอ้จ <rit raising> ิตแบบนี้มันก็ไปไอ้กายปร่งแสงเดือยไปยึดเพราะว่าไปยึดจิตที่มันแสดงอาการได้มันก็เลยเอ้าไม่เอากายเนื้อเป็นตัวเราไปเอาไอ้ไอ้จิตที่มีอาการได้เป็นตัวเรามันก็เลยเป็นกายโปร่งแสงมันก็ไปดับเออพอเรามันไม่มีอาการแต่แรกแล้วอาการเราไม่มีเพราะมันเป็นสุญญตาธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นธรรมธาตุมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆเลยมันมีแต่รู้ตัวตนมันไม่มีเพราะไม่มีเสร็จไม่มีตัวตนเวลามันตายแล้วมันก็เลยออกมาจากสองร่างเลย ไอ้รู้เนี่ยมันก็เลยออกมาจากไอ้ร่างกายเนื้อแล้วรู้มันออกจากร่างกายจิตปร่งแสงมันก็เลยมาเป็นรู้ที่หาตัวตนไม่เจอไอ้กายเนื้อที่ไอ้วิญญาณหรือธาตุรู้เนี่ยมันออกมาแล้วไอ้กายเนื้อกดับไอ้กายจิตปร่งแสงพอวิญญาณออกมาจากกายจิตปร่งแสงไอ้กายจิตปร่งแสงมันก็เลยดับพอมันดับปุ๊บก็เลยหายตัวไปไงเพราะว่าไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นความว่างมันก็เลยหายตัวไปการเป็นความว่างไปใครก็ใครก็หาตัวนไม่เจอ เนี่ยใครก็หาตัวไม่เจอเหมือนกับพระโคติกาที่เชี่ยคอตายอะ่ะพระโคติกาป่วยเจ็บปวดทุกทรมานมากแล้วเชื่ยอคอตายในสมัยพุทธเจ้าแล้วก็เชี่ยคอตายเลือดไหลนองมาพระโคติกาพิจาณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารไม่เข้าไปยึดใดๆเลยปล่อยวางหมดบรรลุอราหารันต์ปุ๊บพอตายแล้วยัมาทูดมหาวิญญาณไม่เจอเอา้าหายไปไหนแล้วก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าบรรลุอราหันต์ไปแล้วบรรลุนิพพานไปแล้วหายตัวไปแล้ว หาตัวไปเหมือนกับเปลวไฟที่จิ้นเชื้อเหลือเหมือนเปลวไฟเชียรที่อยู่ต่อหน้าถูปเป่าดับพึบหายไปแล้วเอ้ยมันเลยออกไปหมดเลยจากกายเนื้อและกายจิตโปร่งแสงมันเลยออกไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเนี่ยเข้าใจผิดไปเอาไว้จิตที่ขนาดจิตที่เป็นคิดเอาเราไปเอาไว้ไอ้นี้ยขนาดจิตคิดนี้เป็นกายโปร่งแสงเป็นกา ย, กายจิตแต่หลังคารแล้วเราก็พยายามไปทําให้จิตมันไม่คิดเพื่อเราจะ เพราะเมื่อไรจิตไม่คิดเราจะได้เป็นทุกพธะเป็นความว่างถ้าเราไปเอาเป็นตัวเดียวกันน่ะไปยังไงมันไม่ไปอย่างไงหรอกเพราะว่าเราเข้าใจผิดตัวจับคนร้ายผิดตัวตั้งแต่แรกมันจะมันจะถูกได้ยังไงเรียกว่าจับแพะจับแพะเนี่ยจะตารวจว่าเราอีกไปว่าหาจับแพ้จับแพะเออจับแพะจับคนร้ายผิดตัวเออพออย่างนี้เสร็จปุ๊บไอจิตโปร่งแสงไอมันคิดตังต้งแต่้อมูแตงอะไรล้วก็ยึดไม่มีคนยึดมันเพราะว่าไอพุทธะเนี่ยมันหลงไม่ได้ ไอ้ที่หลงได้ว่ามเราเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไปยึดนั่นยึดนี่ได้ไอ้นั่นแน่มันเป็นสังขารที่สร้างมาว่าเราเป็นตัวเป็นตนหรือสร้างว่าตัวเราเป็นผู้รู้เอาไปจัดการอะไรได้ไอ้ที่มันสร้างว่าตัวเราเป็นผู้รู้น่เป็นตัวสังขารแต่เราเนี่ยที่เป็นพุทธะเนี่ยอาการยังอาการที่ไปรู้เนี่ยก็ยังไม่มีเลยไม่ได้มีอาการไปรู้มันมีแต่เห็นว่าไอ้สังขารตั้งมวลเนี่ยไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งมวลสังขารกาย สังขารที่จะเป็นจิตสังขารในความรู้สึกนึอคิดอารมณ์ที่มีอาการทุกอาการในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐปานใดจิตจะดีเลิศประเสริฐปานใดจิตจะคิดไปคิดยังไงก็ตามมันไม่มีผู้เข้าไปยึดถือไม่มีผู้เข้าไปรองรับมันจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏอาการของผู้รู้มันจะไม่มีตัวตนของผู้รู้มาคอยรู้อาการไว้มันรู้แต่เพียงว่าไอสังขารทั้งปวงทั้งภายนอกทั้งหมดภายนอกตัวเราและร่างกายเราและไอตัวเราที่มีความรู้สึกมืคิดอารมณ์เนี่ย ไม่มีใครเข้ามายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมาลองรับไม่มีใครมาเสวยทุกทุกอาการปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครมาเสวยไม่มีใครมาลองรับไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นมันได้แต่รู้แค่นี้เองไม่ใช่ว่ามันไปไล่รู้อาการไอ้ผู้ที่ไปไล่รู้ไล่ดูอาการเนี่ยมันคือจิตต์สังขารมันคือเอาสังขารกรุงแต่งมาเป็นตัวเราเนี่ยเราไปไล่รู้ไล่ดูอาการไปไล่ดับความคิดได้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ย วิญญาณธาตุหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุเนี่ยมันไม่มีอาการรู้ด้วยมันจึงไม่มีอาการที่ไปไล่รู้ความคิดไล่รู้อารมณ์ไล่รู้ความรู้สึกไปไล่รู้ดูจิตไม่ได้มันเข้าไปพยายามดูจิตไม่ได้ไอตัวเนี้มันได้แต่เห็นว่ารู้ว่าสังขารทั้งมวลภายนอกร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสจิตเสียงสัมผัสและร่างกายเราที่เป็นกายเนื้อกายหยาบแล้วก็ ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นกายจิตสังขารกายปร่งแสงเนี่ยมันไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นทุกขณะปัจจุบันความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันมันไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมาเสอบหวยมันได้แต่รู้แค่นี้เองมันไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อาการไอผู้ที่ไปไล่รู้อาการเนี่ยมันเอาสังขารเอาจิตต์สังขารปรุงเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปไล่รู้อาการเหตุได้จึงเรียกว่าไอสังขารที่ไปไล่ดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ว่ามันเป็นมันเป็นสังขารเราเพราะว่า เราต้องตั้งใจจะเข้าไปดูจิตเจตนาจะเข้าไปเพ่งจิตมีความพยายามที่จะเข้าไปรู้จิตไอ้ความตั้งใจจงใจเจตนามีความพยายามขณะจิตใดที่จะเข้าไปดูจิตจะเข้าไปรู้จิตไอ้ตัวเนี้มันก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นสังขารเพราะความไม่สังขารเนี่ยมันมีเจตนาไม่ได้มีความจงใจไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้มันพยายามไม่ได้ ขนาจิตใดจะ ม, มีความพยายามจะเข้าไปดูจิตจะเข้าไปเพ่งจิตจะเข้าไปรู้จิตล้วนแต่มันเป็นสังขารทั้งหมดหาใช่ไผู้รู้ที่เป็นพุทธะที่เป็นวิสังขารที่ีแสดงอาการไม่ได้ไอ้ผู้ที่มันแสดงอาการไปดูจิตรู้จิตแล้วจิ ต, จตไม่ได้เนี่ยมันมันแสดงแต่เพียงเพราะว่ามันไม่ปรากฏผู้เสำวยไม่มีผู้รองรับมันได้แต่รู้ว่ารู้พ้นแล้วรู้พ้นคือรู้ว่า สังขารทั้งมวลไม่มีใครเข้ามายึดมั่นถือมั่นมันได้แต่รู้พ้นว่าสังขารทั้งมวลทั้งภายนอกสังขารร่างกายเราและสังขารจิตใจคือความรู้สึกนึกิดอารมณ์ไม่มีใครเข้ามายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครรองรับมันได้แต่รู้พ้นอยู่แค่นี้แน่มันไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อาการหรอกเพราะว่ า, าการไล่รู้อาการแต่ลักษณะมันต้องอาศัยการตั้งใจจงใจเจตนาพยายามมันจึงเป็นสังขารส่วนผู้รู้ที่เป็นพุทธะ มันเหนือความตั้งใจจงใจเจตนาหรือความพยายามใดๆทั้งมวลหลวงปู่ลาเขม่ า, มาปะโตจึงกล่าวว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานผู้รู้ไม่ใช่นิพพานนิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายถ้าไม่ไปยึดเอาผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา หรือไปยึดเอาว่าตัวเราเป็นผู้รู้ก็จะบรรลุกัณณิพานข้ามทะเลทุกเป็นไปแล้วอันไอ้ที่มันไปยึดเอาตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราหรือเราเอาตัวเราไปเ่งอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันไปหลงเอาตัวสังขารเป็นตัวเราซะไปหลงความหลงเอาวิชาคือมันหลงผิดตัวแค่นี้เนี่ยการที่รู้ว่าเรามันมีมันมีสามตัวแต่เราเนี่เป็นตัวพุทธะ ไอ้ส่วนกายจะสังขารกายคิตสังขารไม่เจ๊ตัวเราและมันเป็นคนละตัวกันดังนั้นเราจึงจะไม่ปฏิบัติผิดพยายามอ๋อมันคิดให้คิดมันคิดให้คิดมันคิดม่ให้คิดจะทําให้มันไม่คิดอยู่นั่นแหละอ๋อมันก็แสดงว่าถ้าอย่างนี้มันจะเอาจิตดีได้จิตดีเนี่ยมันเป็นจิตสังขารเป็นกายปกแสงก็แสดงว่าเราจะเอาการปกแสงเป็นตัวเราตายแล้วไอ้กายปกแสงมันก็ไม่ดับแต่บางคนก็จะเอาแต่มาบอกเราก็มาหาเราแต่ โป่งโล่งเบาสบายว่างโป่งโล่งเบาสบายว่างพูดแต่อย่างเนี้ยอย่าอื่นไม่พูดเลยอาการที่มันไม่ถูกใจไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายไม่ว่ามันไม่พูดเลยจะพูดแต่โป่งโล่งเบาสบายว่าโป่งโล่งเบาสบายว่าเฮ้ยเราว่านี่ไปเอาไอตัวที่มันมีอาการเนี่ยที่มันเป็นกายโปร่งแสงมันมีอาการได้ฮที่รู้อาการได้รับรู้อาการได้เนี่ยมันไปเอาไอตัวที้มันเป็นตัวเราหมดเลย เพราะตัวเรามันไม่มีไม่ปรากฏไม่มีตัวเราไ ป, ไปแสดงอาการรู้ดูเห็นจิตด้วยมันมีแต่ทุกสังขารทั้งมวลไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่แนท่านจึงกล่าวว่าพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่าสังขารทั้งมวลคือเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ ยังจินตีสมุทียะทำมังสัพพันตังนิโรธาทำบันติเพราะเห็นแค่นี้พระโสดาบันเห็นแค่นี้พุทธเจ้าเลยตรัสว่าโอ้อัญญโกสัญญาเห็นแล้วหนอรู้แล้วหนอรู้แจ้งแล้วหนอพราะเห็นแค่นี้แน่อัญญโกอัญญาก็เห็นต่อไปอีกว่าพอสิ้นผู้ที่เข้าไปเสวยสังขารทั้งมวลเส ร, ร็จปุ๊บอ๋อเมื่อไม่มีใครไปเสวยสังขารไม่มีใครไปยึดบ้านสังขารทั้งมวลทั้งภายในและภายนอก คือไม่ไปยึดทั้งไอ้รูปรขันเนี่ยแล่นา น, านามขันคือความรู้สึกไม่คิดอารมณ์หรือไม่ไปยึดทั้งไอ้กายหยาบแล้วยึดทั้งกายละเอียดหรือไม่ไปยึดทั้งไอ้เนี่ยไอ้รูปรกายและนามกายเนี่ยไม่มีใครเข้าไปยึดเลยสักอย่างเดียวมันก็เลยโอ้มันมีอีกตัวหนึง่งมันมีตัวหนึง่งคือตัวที่ไม่ปรากฏอาการเกิดดับใดๆเลยไอ้ตัวเนี้ยมันมีมันอยู่ตลอดกาลท่านจิจก่าวว่าพระอรหันต์เห็นว่า นอกจากจะมีตัวสิ่งใดสิ่งห น, นึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาระดับไปธรรมดาแล้วล ม, ลมันมีตัวหนึ่งคือสิ่งที่ไม่เกิดย่อมไม่ดับตลอดการ mm. สิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อไมไม่ดับเป็น อ, ม ต, mm. อมตะคือไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะตลอดการเลยเห็นว่าอ๋อนอกจากมันมีเนี่ยกายกายสังขารและกายจิตสังขารที่มันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปธรรมดามันเลยพบอีกกายหนึงเนี่ย คือความไม่มีอาการเกิดไม่มีอาการดับนั่นแหละอรหันท่านพบอีกกายหนึ่งคือกายพุทธะจะไม่มีกายหลับคือพุทธะเนี่ยหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรือวิญญาณธาตุนี่แน่ต้องการให้เข้าใจอย่างนี้แนอ่อธิบายอย่างนี้เรามีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจหมอย่างไง จันอกกระใจอ่ะจันน็อตอ่ะดรอือดรน็อตเนี่ยฮะไงเข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆอย่าผิดตัวอีกนะเออไม่ผิดตัวจะไปทำไไหวไอ้จิตปรุงแต่งกับจิตไม่ปรุงแต่งตัวเดียวกันเนี่ยปฏิบัติางไม่ไปยังไงหล่ะมันพยายามไปไล่ฆ่าจิตปรุงแต่งให้หมดเหลือแต่ความว่างมันจะไปฆ่าตัวจิตปรุงแต่งให้ตายได้ไงมันยังไม่ตายเนี่ย เราต้องเราราตายซะก่อนคุณทิ้แก่เราออกมาจากจิตปุ่งแสงได้นึงจากดับเราจะออกจากจิตปุ่งแสงไม่ได้ต่อให้ตายแล้วมันยังไม่ดับเลยนี่มันยังไม่ทันจะดับเลยแต่ไปไล่ไปไล่ามันดับไปหมดได้จิตปุ่งแสงเนี่ยไล่ทุกคิดเลยมันดับเกลี้ยงเลยมันทําได้ที่ไหนแล้วมันคนละเรื่องละราวมันขนาดตายแล้วมันยักระเด็นออกมาเป็นกายโปร่งแสงเนี่ยมันยังฆ่าไม่ตายเลยตัวเนี้ยนิพพานเท่านั้นแหะทีงจะฆ่ามันตายไม่รู้นิพพานฆ่าไม่ตาย คือนิพพานธาตุไะเรากลายไปเป็นนิพพานธาตุตัวในจิตสังขารมันไม่มีใครอยู่กับมันมันก็เลยตายนิพพานเนี่ยถึงจะดับมันได้ข้ามมันตายได้ไอตัวจิตปองแสงเนี่ยตัวกายปองแสงเนี่ยใครข้ามันก็ไม่ตายนอกจากนิพพานเท่านั้นตอนนี้ไปปฏิบัติกันเนี่ยยังไม่ตายเลยไปไล่ดับความคิดให้หมดแล้วเหลือแต่ความว่างจะได้เป็ น, นไอตัวที่ว่างเปล่าไม่แสดงกิจยาการใด โอ้ขนาดตายแล้วมันม <ata> <g una> <t> ันยังไม่นิบมันยังไม่ตายเลยขนาดตายแล้วมันยังกระเด็นออกมานอกล่างมยังไม่ดับเลยแล้วนี่ไปดับตั้งแต่ตอนยังไม่ตายอ่ะจะให้มันดับหมดแล้วแต่ความว่าอย่างเดียวแเราจะไปทําได้ยังไงอะทําแบบเนี้ยแล้วขนาดตายแล้วกระเด็นออกมานอกล่างต่อให้มานั่งไล่ดับยังดับไม่ได้เลยอ่ะถ้านั่งไล่ดับมันก็ยังดับไม่ได้ขนาดตายแล้วอ่ะไม่ใช่มานั่งร้องไห้เป็นตุ๊กยี่นั่นแหละ เมออไรเ่เ่ยไปเป็นนิพพานธาตุสุญญาตาธาตุากลายเปความว่างไปนั่นแหละจิตปร่งแสงเนี่ยจิตอสังขารที่มันโปร่งแสงมันถึงดับมันไปเองนี่แหละการทําลายจิตวิญญาณหรือก็เรียกว่าทําลายทําลายรูปรูปวิญญาณวิธีการทําลายรูปวิญญาณที่ท่านบอกว่าเข้าถึงมัคคจิตเนี่ยมัคคจิตมัคคจิตถอดรูปวิญญาณเนี่ย ไปไ ป, ไปฟังแล้วไปอ่านหนังสือนะั้นกูเดินเทโลตรงนี้ตรงท้ายเนี่ยเรีว่าเข้าถึงมากกสิทถอดรูปวิญญาณเนี่ยถอดตรงนี้ญญเนี่ยอถอดรูปวิญญาณออกมาถอดถอดรูปวิญญาณเพราะว่าถ้าวิญญาณยังเหลือรูปเนี่ยมันก็เข้ า, าไปได้แต่ถ้าเรียกว่ารูปวิญญาณแต่เราเรียกว่ารูปโปรงแสงกายปรงแสงเั้นของพุทธเจ้ามันใช้คําว่าเมื่อไรที่ยังมีนันทิ ความเพลินใจ like ยึดนั่นยึดนี่ยึดนั่นยึดนี่ยึดนู่นยึดนี่อยู่เนี่ยวิญญาณจะจะมีตัวตนแต่เมื่อไรเนี่ยสิ้นความเพลิพอใจสิ้นยึดเนี่ยวิญญาณก็ไม่มีตัวตนเนี่ยวิญญาณมีตัวตนก็คือมีอุปทานวิญญาณไม่มีตัวตนก็ที่อุปทานสิ้นการยึดนี่แหละวิธีการจะฆ่าวิญญาณต้องไปเป็นนิพพานธาต ให้เห็นว่ามีคนละตัวกัเพราใจที่ถูกต้องมาถึงคนกันนะอ๋อที่สงสัยไหมมีใครสงสัยไหมมีไหมมีไหม อ, อะไรไหมอ๋ขอข้อการครับ <c oughs> ที่หลวงตาบอกว่าไอ้ตัวที่คิดตัวที่เจตนากระทำเนี่ยมันเป็นตัวสังขารทั้งหมดซึ่งไม่ถูกต้องเพราะทางนี้เนี่ยแล้วทางอ๋อพอ พอลงมือกระทำจริงๆมันก็มีตัวเจตนาตั้งต้นมาก่อนตลอดแล้วต้องต้องต้องวางยังไงถึงจะเป็นทางที่ถูกครับเออเวลาเราลงมือปฏิบัติเอ็มก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีตัวเจตนาเริ่มต้นไอ้ตัวเจตนาเริ่มต้นเราก็มีสติปัญญาเห็นมาเลยเนี่ยว่าตัวเจตนาที่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นให้ตัวจิตสังขารมีกายป่งแสงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันหรอก แต่เห็นว่าพอมันเริ่มต้นจะแสดงเจตนาจะปฏิบัติพยายามจะปฏิบัติไอตัวเจตนาที่จะปฏิบัติหรือเริ่มต้นจะปฏิบัติเนี่ยไอคือเนี้ยคือไอตัวจิตผงแสงหรือว่าไอไอกายจิตจะสังขารมีสติ ป, ปัญญาอย่างเงี้ยรู้เห็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปป่อยวางสังขารทั้งมวลอยู่ตลอดเวลาปล่อยวางสังขารทั้งมวลป่อยวางสังารทั้งมวลโดยกรทั่งไม่มีผู้เข้าไปยึดมั่นถือม่นสังขารก็ปกติก็ทำตามที่ดวงตาบอกตลอดแต่ว่าอ่ มันมันจะเห็นเองว่ามันมีสามตัวดวงตาบอกมันมันมันจะเห็นได้ต่อเมื่อในช่วงที่ปฏิบัติแล้วสติมันดีมันจะเห็นเป็นอัตโนมัติครับซึ่งมันมันเกิดไม่ไม่ได้บ่อยประมาณว่าค่าเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งอะไรประมาณเนี้ยครับที่เห็นที่เห็นปึ๊บขึ้นมาเองเราเห็นหน้าตาของปฏิจจธรรมความจริงแบบนั้นเนี่ย ว่เออมันเหนือกว่าสังขารยังมีตัววิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งคื อ, คอเรียกว่าพุทธะเราเห็นสัทีเนี่ยต่อไปเราก็รู้จักหน้าตาของคนนี้แหละเหมือนกันว่าเราเจอคนเนี้ยเอามาเจอกันครั้งแรกชื่ออะไรอชื่อเนี้ยไม่เคยรู้จักพอเจอหน้าตั้ทีคือไอ้ผู้ที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะชื่อนายไม่ปรุงแต่งหนูชื่อความไม่ปรุงแต่ง หรือชื่อว่าอวิสังขารอ่านี่ชื่อวิสังขารหรือชื่อว่าพุทธะพุทธะต่อไปอ๋อคนนี้เหรอชื่อพุทธะหรือคนนี้ชื่อว่านิพพานธาตุคนนี้ชื่อว่าสุญญตาธาตุหรอเพราะคยเจอหน้าตาทศทีเนี่ยคือเจอไอ้ที่ความไม่ปรุงแต่งสิ่งนี้ในความปรุงแต่งอ๋อมันมีความไม่ปรุงแต่งอย่างหนึ่งพอเราเคยเจอหน้าตาทศทีต่อไปเราเจออีกเจออีกเจออีกเจออีก เราไม่ใช่ว่าเจอเห็นยาวลื่นไปงนี้หรอกพอเราเจอบ่อยๆเข้าเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องถามชื่อเขาอีกแล้วมันรู้จักกันแล้วแสดงว่าทุกวันที่ปฏิบัตินี่คือต้องเน้นที่สติตั้งต้นใช่ไหมครับอืมที่ท่านครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวไนงะนั่งสมาธินานเท่าไร่เดินจงกรมนานเท่าไร่แต่สติขาดไม่เท่ากับไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรเลยไม่เป็นธรรมเลย ไม่ได้เน้นที่นั่งนานไม่ได้เน้นที่เดินจง ก, กรมนานแต่เน้นว่ามีสติหรือไม่มีสติถ้าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทมขาดเป็นทุกสติหายสมาธิหายปัญญาหายทมหายเป็นทุกสติมีสมาธิมีปัญญามีเป็นธรรมไม่ทุกสติเป็นมหาสติ เป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพลจับทุกสติอันเดียวสติอันเดียวก็ไม่หลายจะเอานู่นเอานี่เอาสติอันเดียวนี่อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกไปหาครูบาอาจารย์แต่ละท่านสติสติทางนั้นหลวงปู่ถ้าจําไม่ผิดคือหลวงปู่จูมพันธุโลถามหลวงปู่มั่นเรตโตว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสมาธิหลวงปู่มั่นบอกว่าให้ดูที่สติถ้าสติมีสมาธิจะมีแต่ถ้าสติขาดต่อให้นั่งสมาธินานเท่าไหร่ไม่เป็นสมาธิที่โยมถามจะตอบคําถามของของโยมนี่ที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิ แต่ถามว่าทุกน า, าปัจจุบันมีสติหรือเปล่าล่ะถ้าทุกน า, าปัจจุบัน ม, มีสติแน่ๆคือมีสมาธิมีปัญญามีธรรมและมันก็จะตอบคําถามที่ที่ถามตอนแรกได้ไม่งั้นเขก็จะเจ้ามาถามเราว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวล า, าเดินจงกรมจะถามว่าเราทุกน า, าปัจจุบัน ม, มีสติหรือเปล่าล่ะ แต่ทุกขณะปัจจุบันมีสตินั่นแหละมีสมาธิมีปัญญามีธรรมแล้วก็พัฒนาสติขึ้นมาที่เอ็มบอกว่าเออมันจะเห็นได้ตอนที่มันมีสติต่อนเนื่องมันจะเห็นว่าจิตไว้ไหวมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่ในท่ามกลางใจที่ไม่ไหวใจว่างเปล่าได้เ อ, อ๊ทำไมจิตมันไว้ไหวแต่ใจเราว่างอย่างนี้นออวะเนี่ยเอ๊สภาวะเงี้ยมันต้องเป็นสติที่ ท, ที่ต่อนเนื่อ ง, องอพอพอสมควรในในระหว่างนั้น แต่เราฝึกมาดีแล้วฝึกมาประมาณนานแล้วฝึกมาบ่อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็ขนาดได้ที่สติมันต่อเนื่องจริงๆอะ่ะเอ๊ะทำไมในใจเรานี่ก็คิดนั่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี้นนแต่ทําไมใจมันว่างเปล่าอย่างนี้ยอย่างเงี้ยคือเลยรู้ว่ามันเป็นคนละตัวกันในใจเราคิดนั่นคิดนี้คิดเนี้คิดนี้แต่ทําไมมันใจมันว่างเปล่าเหมือนกับอวอากาศเอ๊ะแสดงว่าไอ้ใจที่มันว่างเปล่าเหมือกนกับอากาศกับไอ้จิตที่มันคิดปุงแต่มันคนละตัวกันหรือ่า มันเห็นอย่างเงี้ยต่อไปมันก็เห็นได้เรื่อยๆแต่บางทีเวลามันเห็นตัวที่ไม่ชอบเช่นมีโทสะเกิดขึ้นมันก็ยังไม่เป็นกลางอยู่ดีครับ ม, มันก็มันก็ไปไม่ชอบมันนะครับพยายามผักไสอืมถ้าเราหลงไปมีอารมณ์ราคะโทสะโมหะมีความโลภความโกรธความหลงจิตใจหดปูซึมเศร้าเบือ่อท้อแท้เซ็งกุ้ม อันเนี้ยมันจะมีมันขาดสติไปแล้วนานเกินไปมันจึงจิตใจหดหู่เสียสภาพอย่างเงี้ยจะมีสติรู้เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เห็นจิตที่ไหวไหวด้วยใจที่ว่างในทําการใจที่ว่างเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอก mm hmm. เพราะว่าสติมันขาดไปแล้วจนจิตใจมันเสียสภาพไปแล้วมันต้องแก้ไขไปก่อนมันต้องแก้ไขอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในใจแก้ไขอ ย, อย่างไรล่ะให้ใจมันกลับคืนสภาพที่ว่าไม่มีอะไรมาค้างอยู่ในใจ ไม่งันความหดอู wanting, ่ซึมเศร้ามีอารมณ์ค้างอยู่ในใจมันก็ค้างแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นปกติตามธรรมชาติพอมาเป็นปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยเราสังเกตได้ดีภายในจิตใจเราก็มีความคิดมันติดตอมปงแต่งํางุ้มงัางุ้มงับงุ้มงับงุ้มงับงุ้มงับงุ้มหิ้มงุ้มหิ่มงุ้มมันคทดไม่อยู่แต่ทุกรุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุนทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทิกมันคิดทุกทุกุ่่ทุกทุกทุกทุกทุกทุ เอ้ ه, มันคนละตัวกันนี่หว่าเนี่ยใจที่ว่างเนี่ยคือพุท ธ, ธะส่วนจิตที่มันคิดพรุงแต่งไม่อยู่เนี่ยคือจิตอสังขารที่เราไม่ค่อยอยากพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนมักง่ายอยู่ๆเอาถ้าใจว่างอย่างนี้ก็พอพลุกขึ้นกลับมาใจว่างแล้วมันยังไม่ได้เห็นอะไรยังไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยกลับมาใจว่างแล้วอาจารย์ดูสิอ่าว่างนะอ่ะบอ่มันไปไปวางวางแบบไม่รับรู้อะไรนะ วางเอ๋อไปเลยยังไม่รับรู้อะไรเลยวางเอ๋อไปจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กว่ากระแทกด่าแล้วโง่ทำโง่ให้มันจะโง่ดักดานกีดก่ายแล้วแบบเนี้ยมันก็ไม่โง่ดักดานแบบเนี้ยเอ๋อไปเลยอยู่ๆก็วางเอ๋อไม่รับรู้อะไรปัญหาอะไรก็ไม่ยอมรับรู้ความคิดก็ไม่เห็นไอ้ที่มันว่างก็เพราะว่ามันไม่มีใครใครไปสเสวยสังขารไม่ไม่มีใครเข้าไปยึดบ้านสืบม่านไม่มีใครเข้าไปรองรับ ไอความรู้สึกไม่คิดอารมณ์กิริยาการที่มันปรากฏในใจไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปเสวยมาเลยการเป็นความว่างอัตโนมัติการเป็นความว่างเช่นเดียวกับจักรวาลแต่นี้มันยังไม่ทันเห็นมันยังไม่นั้นปล่อยมันยังไม่ทันปล่อยวางอะไรเลยมันอยู่ๆปุ๊บก็กลับมาว่างเลยว่างไปซะแล้วยังอยู่ก็ว่างคือมันเฉยเงี้ยนี่ไม่ยังทำอะไรเลยจำเป็นสร้างความรู้สึกว่างมาเนี่ยบางทีว่างเนี่ยเราไปสอนก่อนเราไปสอนที่นั่นอะ ว่างขนาดไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะเดินออกไปกลางแดดก็ไม่รู้ว่าร้อนรู้ร้อนรู้หนาวอ่ะงงมากไปเลยเราอ่ะอุ้มทำได้ยังไงอะเดินไปกลางแดดแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยคือกลายเป็นคนว่างแบบคือบื้อเออไปเลยอ่ะปล่อยวางแบบไม่รู้เรื่องเลยเวลาไปสอบไปทำข้อสอบเป็นเจ้าหน้าที่นะไปสอบไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยปรากฏว่าเขาให้เอากระดาษมากรอก มาก่อรายละเอียดคนอื่นในเห็นว่ามีกระดาษสองแผ่นตามปกติแต่แกมองเห็นกระดาษมีแผ่นเดียวทันที่กระดาษของแกก็มีสองแผ่นแต่แกส่งแผ่นเดียวอีกแผ่นไม่ส่ง แ, แกบอกแกมองเห็นกระดาษแผ่นเดียวโอ้ยพวกผู้ที่ร่วมสอบไปขอร้องผู้ใหญ่บอกว่าสงสารคนเนี้ยเขาทําผิดระเบียบช่วยช่วยให้เขาได้สอบหน่อยไปอ้อนวอน พวกคนที่เพื่อนร่วมที่เข้าสอบเนี่ยโอ้โหไม่สบายใจพยายามช่วยเขาไปไปพูดกับผู้ใหญ่ว่าขอให้เขาแก้ไขหน่อยขอให้เขาแก้ตัวหน่อยแต่เจ้าตัวบอกว่าฉันไม่เห็นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาเหมือนพวกท่านเลยผมเหมือนพวกเธอเลยฉันเฉยอย่างเดียวฉเฉยทีย่แต่พวกเธอทำไมต้องกระตือรือร้ น, นกันเลยเพราะว่าฉันเฉยอย่างเดียวปรากฏว่าทา ง, งานไปทํา ง, งานไปมีปัญหาเพราะอะไร ไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรของปัญหาเลยไม่รับรู้เรื่องเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้อะไรเลยแล้วบอกว่าตอนตอนโดนเจ้าตอนโดนเจ้านายด่าไม่ไงเห็นแต่ปากเจ้านายขมุบขมิบขมุบขมิบแต่ไม่รู้ว่าเจ้านายด่าอะไรพูดว่าอะไรมันว่างเป็นสักขนาด น, นั้นนายคิดดูสิมันเป็นไปได้ยังไงอะไม่เห็นแต่ปากเจ้านายขมุบขมิบขมิบแต่เจ้านายด่าอะไรไม่สะเทือน ไม่สะเทือนเลยแล้วว่าทำไมจึงไม่สะเทือนก็เห็นแต่ปากเจ้านายขามุกขมบขมิบไม่รู้ว่าปากเจ้านายพูดว่าอย่างไงเออเราก็ทําไม่ได้แบบนี้วันทําได้ยังไงเก่งมากเลยบางทีบางทีทก็หมั่นไส้เลยมีคนนึงเป็นนักบวชอย่างเงี้ยเฉยว่างเฉยว่างไม่รับรู้อะไรทั้งหมดอะแบบเนี้ยไอ้กุฏิข้างๆหมั่นไส้มันก็เตี๋ยวไอ้ก๋วเตียวตั้งจานมาครอบใส่หัวเลยมะหัวอะไรก็ไม่ทราบเอามาครอบใส่หัวก็เฉยเลย แล้วบอกว่าเป็นยังไงมัางอ่ะโอ้ยไม่สะเทือนเฉยว่างไม่สะเทือนอะไรเลยโอ้โหเราว่าเนี่ยมันท่อนไม้ดีๆนี่เลยเราไม่นันานะเราจะพูดในเรื่อ ง, องว่างจิดเดิมแท้ที่เป็นของว่างก็ทีคือมันมีคนเนี่ยชอบพอเราพูดที่ายมันมีคนชอบสร้างอยู่ๆกลับมาก็อาจารย์ใจว่างปล่าเหมือนดังอวกาศอ้ามาซะแล้วอยู่ๆก็มาใจว่างปล่าเหมือนดังอวกาศซะแล้วอาจารย์ดูสิเนี่ย มันทําไมว่างข้ามคืนอย่างเงี้ยโอ้โหเรากลัวใจจริงๆเลยพวกนี้นี่ว่าไงเอ่อไอตัวนี้เวลาตั้งใจลงไปมองส่งส่งเขาไปมองนะครับมันเห็นตัวที่เป็นจิตที่มันพูดตลอดเวลาหรืตัวหนึ่งที่มันไม่พูดอะไรเลยซึ่งมันเห็นไม่พร้อมกันโดยส่วนมากแต่บางทีมันก็เห็นมันเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้คือถูกต้องไหมครับ เมือกี้ือนมาเห็นพร้อมกันสองตัวมันคนละกรณีเราที่เราพูดเนี่ยคือบางครั้งเราเห็นว่าไอ้จิตข้างในที่มันคิดคิดคิดคิดคิดแล้วมันก็หยุดคิดเราจะเห็นคนละขนาดไอ้กรณีอย่างนี้ไอ้จิตที่มันคิดคิดแล้วขนาดจิตที่มันหยุดคิดเนี่ยอันนี้คือจิตเป็นตัวจิตสังขารคือเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวก็ไม่คิดไอ้ตัวเนี้มันเป็นตัวจิตสังขารแต่เราบอกว่าบางครั้งเราไปเห็นว่า ไอ้จิตที่มันคิดคิดคิดเนี่ยแล้วในขณะจิตยังคิดเนี่ยใจมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกันคือขณะที่จิตมันคิดอยู่แต่ใจมันกลับว่างเปล่าไอ้อย่างเนี้ยคือมันมีตัวจิตเราเห็นจิตสังขารที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวหนึ่งและตัวที่ไม่ปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราไปคนที่เข้าใจผิดตัวใหญ่ไปเห็นว่าอ้าวจิตที่คิดคิดยิบแล้วขณะนี้มันหยุดคิดอ้าวโอนี่คือตัวจิตสัไอ้นี่คือตัววิสังขาร แล้วไปหมายอย่างนี้ปุ๊บต่อไปปฏิบัติผิดตลอดเลยมันจะหมายเอาตรงที่หยุดคิดแต่ขนาดจิตที่หยุดคิดมันก็จะเป็นจิตในสังขารอยู่แต่พันธนั้นมันหยุดคิดมันมันขี้เกียจคิดมันเมื่อยแล้วไอตัวจิตสังขารมันเมื่อยมันมันเหนื่อยแล้วมันก็เลยหยุดคิดแต่มัหยุดคิดชั่วขณะหนึ่งแต่เราก็เอาไอตัวที่หยุดคิดชั่วขณะหนึ่งไอจิตสังขารน่ะเป็นตัวใจที่ว่างเปล่าพี่เป็นวิสังขารที่ไม่มีตัวตนเราเลยเห็นมองเห็นกันบางครั้งเราเลยมองเห็นมันเป็นคนละขนาดเอ๊ะทำไมมันคิดคิดคิด เอ๊ะแล้วมันก็หยุดคิดนิ่งไปเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกที่คิดคิดแล้วก็นิ่งไปเฉยเฉยไอ้จิตที่มันนิ่งไปเฉยเฉยกายจิตที่คิดเนี่ยเป็นจิตอสังขารหลายคนมาพูดกับเราอย่างเนี้ยว่าอาจารย์ทำไมมันไม่คิดมันงงม น, มมนิ่งเงียบไปเลยอ่ะมันไม่คิดมันนิ่งเงียบไปเลยแต่ไอ้ตัวที่บอกว่าไม่คิดแล้วมันนิ่งเงียบไปเนี่ยไอ้จิตที่ขนาดจิตที่มันนิ่งเงียบเนีคือไอ้ตัวนี้จิตอสังขารคือมันเหนื่อยจากการคิดมันเบื่อแล้วมันก็เลยนิ่งไปชั่วขนหนึ่งดดี๋ยววกก็็คิแล้ หยุดคิดนิ่งเงียบไอ้จิตที่นิ่งเงียบไอ่จิตที่คิดแต่คือจิตสังขารแต่ขนาดนั้นะมันขี้เกียจสังขารมันก็เลยนิ่งเฉยเฉยแต่เรากลับเอาไว้ตัวเนี้ยมาเป็นเอกจิตทคิดเป็นตัวสังขารและตอนจิตที่มันนิ่งเป็นตัววิสังขารคือตัวไม่พุ่งแตง้มมันคนละตัวคนละเรื่องละราวเลยตัวเองก็ใจผิดกนเรื่องราวแล้วหลายคนก็ปฏิบัติอย่าง ท, างที่อย่างที่เอ็มพูดนียนะเดี๋ยวนี้ยังมายังมาถามเราอยู่เรื่อยเรื่เราสอนตั่งนานแล้วเนี่ย ไวอาไว้ตัวที่หยุดคิดก็คิดตัวหยุดคิดก็คิดไว้เอาไว้ตัวที่หยุดคิดเนี่ยขณดจี่หยุดคิดเนี่ยเป็นวิสังข ان, ารไอ้ตัวพุทโธพุทธะเป็นนิพพานธาตุแต่ไอาตัวที่จิตที่คิดเนี่ยเอาไว้เป็นเนี่เป็นตัวสังขารมุ่งแต่งเราเลยเห็นมันเป็นคนละขณะกันเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็หยุดคิดนิ่งเลยอาจารย์มันนิ่งมันไม่คิดอะไรเนีลยอาจารย์นิ่งนิ่ง อ, ύ, อุ้ยไม่สนใจตัวนิ่งแล้วก็วาอย่างเงี้ยเป็นสังขารนิ่งไม่นิ่งก็เป็นเป็นสังขารนั่นกันแน่หลวงปู่ทาจึงบอกมาว่านิ่งก็เอา ไม่นิ่งก็เอาเอามาทางนั้นแหละก็คือไม่ให้ไปทุกข์กับมันไม่ให้ไปยึดมันครับว่าเอาทางนั้นแหละคือนิ่งก็อย่าไปยึดมันไม่นิ่งก็อย่าไปยึดมันเพราะมันเป็นสังขารทางนั้นแหละโยนทิ้งให้หมดท่านว่าสังขารทางนั้นแหละโยนทิ้งให้หมดไอจิตที่นิ่งอ่ะมันก็เป็นสังขารโยนทิ้งให้หมดไอจิตที่ไม่นิ่งอ่ะมันก็เป็นสังขารโยนทิ้งให้หมดเพราะมันเป็นกายจิตหรือจิตแต่สังขารเป็นกายจิตกายโปร่งแสงเดี๋ยวมันก็จะเหลือ ไปก็กวักมือเรียกตามเดินตามเข้าไปใต้อยๆหรอืกหรือก็เอาสามง่ามมาแทงกันไปหรอแต่ถ้าในขณะเดียวกันเราเห็นว่าเออไว้จิตทําไมมันคิดทั้งวันวะเนี่ยคิดตลอดเวลาแต่ทําไมใจมันว่างเปล่าตลอดเวลาเอ อ, อย่างเนี้ยมันเห็นพร้อมกันแบบเนี้ยเออมันมีสองตัวแต่จริงๆมันมีสามตัวคือไอกายเนื้ออีกตัวหนึ่งและกาจิตต่อสังขารอีกตัวหนึ่ง และใจที่ว่างเปล่าที่เป็นพุทธะเป็นสุญญต า, าธาตุนิพพานาธาตุอีกตัวนึ่งนั่นแหละจะกลับไปไปฏิบัติต่อเรื่อยๆครับครับ